ข้อมูธนาอีกท้งหนึ่งนในช่วงบ่ายดังที่ได้ตั้งใจว่าจะสนทนาในเรื่องของกุศลกรรมบทและอกุศลกรรมบทสิบเนี่ยนะตรงนี้กว่าจะก่อนจะไปถึงประเด็นตรงนั้นก็มาพูดถึงในเรื่องของลักษณะสูตรเทียบเคียงนะ ให้เราได้ให้เราได้เข้าใจนะใ ห, ให้เราได้เข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าเออในเรื่องมหาภูริสลักขณะพยากรเนี่ยนะพรุทธเจ้าตรัสไว้ในคำสอนที่บอกว่าสมัยหนึ่งข้าพเจ้าคือพระนลได้สดับมาอย่างนี้นะว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันรามท่านานาถาพินิาเศธี ไร่กรงสาวถีนะที่นั้นแลพระพุทธเจ้าตัดเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วก็ว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุก็ทูลรับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นเนี่ยมหาบุรุษเนี่ยประกอบไปด้วยมหาุริศรักษณะสามสิประการย่อมมีกติเป็นสองเท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่นหากอยู่ของเรือนจะได้เป็นจักรพัทถ้าเป็นผู้ทรงธรรมเป็นธรรมราชา มีหมาสมุทรทั้งสี่เป็นขอบเขตทรงมีชัยชนะมีอาณาจักรมั่นคงถึงพร้อมได้รัตนะทั้งเจดประการคือจักรแก้วช้างแก้วม้าแก้วแก้วมณีนางแก้วขณามดีแก้วปริฤนายกแก้วเป็นที่เจ็ดพระราชโอรสของพระองค์มีกว่าหนึ่งพันล้วนกล้าหาญมีรูปทรงสมเป็นวีรกษัตริย์สามารถย่ำยีเสนาข้าศึกได้พระองค์ชนะโดยธรรม โดยไม่ต้องใช้อาชญาไม่ต้องใช้สตราครอบครองแผ่นดินมีสาครเป็นขอบเขตไม่มีเสาเขื่อนไม่มีนิมิตไม่มีเส้นหนามมั่นคงแพร่หลายมีเกษมสารานไม่มีเสนียดแต่ถ้าเสด็จออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตจะได้เป็นพระอรหันตแต่สัมมาสัมุทธเจ้ามีหลังคาคือกิเลสอันเปิดแล้วในโลก ภิกษุทั้งหลายมหาบุรุษมหาปุริสราขนาด32ประการเนี่ยนะนั้นเป็นชัไหน32ประการนั้นไม่เป็นอย่างอื่นคือถ้าหากอยู่ครองเรือนจะเป็นจักพรรดิแต่ถ้าเสด็จออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตจะได้เป็นพระอรหันตแต่สัมมาสัมพุทธเจ้าตรงนี้พอดูในชั้นของคําสอนของพพุทธเจ้าจะเห็นนั่นนะ จะเห็นว่าการเสด็จอุบัติเกิดขึ้นมาของพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยบ่งบอกว่ามีบุคคลซึ่งสามารถที่จะรู้ลักษณะของพระพุทธเจ้าได้โดยฐานะที่พราหมณ์ก็เรียนกันมาเนี่ยนะตรงนี้ก็คือว่าได้เห็นว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสเกี่ยวกัเรื่องของมหาบุรีสละขณะพยากรก็ไว้3 2มประการบอกว่าพิสูจ์ทั้งหลายมหาบุรษ มหาบุุษในโลกนี้หนึ่งมีพระบาทเสมอกันเป็นอันดีเนี่ยนะตรงนี้ในรายละเอียดอตมาจะกล่าวโดยสรุปประเด็นนะเพื่อจะได้เข้าไปสู่ในชั้นว่าที่พระพุทธเจ้าได้ลักษณะเช่นนี้เพราะเพราะอะไรที่ได้ลักษณะเช่นนี้ก็เพราะเจริญกุศ ล, ลกรรมประเภทไหนมาเป็นต้นเหาเนียนะอันนั้นเป็นลักษณะของธรรมดาของพระโพธิสัตว์ ในชั้นของคําสอนในทีขณิกายปฏิกรวรประดีนะแสดงหมหาบุริสลักษณะของพุทธเจ้าสามสองประการลักษณะแรกที่เรียกว่าสุ ป, ปฏิติตะปาโทเนี่ยฝ่าพระบาทเสมอกันเนี่ยนี่คือฝ่าพระบาทเต็ม 2. เหตถาปทะทะเลสุจาักการนิชาตานิพื้นพระบาทประดับด้วยรูปจักรประดิษฐ์อยู่พร้อมด้วยกงและกะดุมประการที่ส อยะตะปัญหิก็คือส้นพระบาทยาวประการที่4ี่ทีคังทีคังคุริก็คือนิ้วพระหัตต์และนิ้วพระบาทก็จะยาวแล้วก็เรียวประการที่สี่มูธุตรณนะหัตถะปาโดก็คือว่าฝ่าพระหัตต์และฝ่าพระบาทนั้นอ่อนนุ่มประการที่6ชาลหัตถาปาโดฝ่าพระบาทและฝ่า ฝ่าพระหตัตป่าพระบาทนั้นมีลายดุจตาข่ายเจ็ดก็คืออุดสังขาบาโดก็หลังพระบาทดุจสังคว่แปดเอนิชังโกก็พระชงก็คือเรียวดุจแข้งเนื้อทรายเก้าทิตาโกวะอโนนันโตอุโพหิปานิตเรหิชุนุกานิปรมามสติกเมื่อประทับยืนตรงพระหัตถ์ทั้งสองรูปจับพระชาุได้ประการที่10 โกเสหิวัฏทคุยโหพระคุยหาก็เร้นอยู่ในฝัก 11. สุวันณวันโนพระชิวิวันกระดุดทองคำา 12. สุคุมะนะสุขุมัชชวิก็คือพระชวิวันละเอียดธุรีและละอองไม่ติดพ่อระกาย 13. เอเกกะโลโมพระโลมามีขุนละเส้นขุมละหนึ่งเส้นนะะอุทักะโลโมพระโลมาดำสนิทปลายงอนขึ้นเบื้องบน เวียนเป็นทักษีนาวัตคือเวียนขวาชี้ขึ้นประดุดดังจะดูพระภกของพระผู้มีพระภาคเจ้าฉะนั้นพระโลมาของพระบรมศาสดาเนี่ยมีปลายช้อนขึ้นนะนะประดุดดังว่าจะมองพระภาของพระเทวะเจ้านั่นแหละถ้ามองอย่างนี้พอพูดถึงตรงนี้ทีไรรู้สึกตื่นเต้นว่าพระโลมาของพระบรมศาสดาไม่มีใจยังปรารถนาจากมองพระภกของพระผู้มีพระภาคเจ้า นั่นคือความงดงามของพระพุทธองค์นะนะเดี๋ยวไปดูนะว่าแต่ละแต่ละชิ้นส่วนที่พระบรมศา ส, สดาทรงได้มานั้นน่ยพระองค์ทํากุศ ล, ลกรรมอะไรมาทําไมจึงได้ลักษณะเช่นนี้และการได้ลักษณะเช่นนี้มาเนี่ยทำไมพระองค์ต้องประดับประดาลักษณะมหาภุริสละขนาดสาสสองประดับโดยอนุพยัญชนะอีก80ดส ประดับไว้เพื่อจะเป็นปัจจัยเป็นอุปนิสัยปั จ, จัยให้กษัตริย์ทั้งหลายได้ตั้งสัตธินรีไว้ในพระผู้มีพรภาคเจ้าจะเห็นคุณของพระพุทธเจ้าที่ทรงตกแต่งสรีระมายี่สิบอสงไขยด้วยแสนมหากรัปในนี้ที่สั่งสมบารมีสิบอุปปา ร, ปรมีสิบและประมาภบารมีสิบมาเนี่ยเพื่อตกแต่งสรีระเพื่อจะได้เป็นปัจใจกษัตริย์ ท, ทั้งหลายได้น้อมศรัทธาได้เห็นพระรูปของพระพุทธเจ้าแล้วจะได้ตั้งศรัทธาไว้ในพระพุทธเจ้า และจะได้เป็นปัจจัยแห่งการเข้าไปฟังธรรมและจะได้เป็นปัจจัยแห่การรู้ทั่วถึงธรรมของพระศาสดานั้นน่ะพระองค์ต้องใช้ความเพียรยิ่งยวดขนาดไหนก็จะได้พัลลคณะแต่ละชิ้นแต่ละอย่างมาอย่างนี้ไม่ใช่ทํากรรมเพื่อเป็นปัจจัยให้สัตว์ him. ทั้งหลายเกิดตัณหาราคะเลยทํากรรมเพื่อเป็นปัจจัยให้สัตว์ทั้งหลายที่มีความโลภจะได้ลดความโลภที่มีความโกรธความโกรธจะได้ลดลงที่มีโมหะโมหะจะได้หมดสิ้นไปในกัมมลดสันดานนั้น องค์ก็ตั้งอัธยาศัยมาอย่างยาวไกลในสังสารวัตรพยายามจะตกแต่งลักษณะเจริญกุศลกรรมบทชศเป็นต้นเหล่านั้นะเพื่อใครเพื่อเราท่านทั้งหลายนี่แหละฉะนั้นวันนี้ที่จะมาถกมาสนทนามาสอบถามมุมรายละเอียดของกุศลกรรมชั้นหยาบชั้นกลางและชั้นละเอียดสูงสุดที่จะสามารถตกแต่งศรีระให้เป็นพระพุทธเจ้าได้น่ะท่านทํากันอย่างไรท่านต้องใช้ความเพียรอย่างไรและเราที่มีศรีระกันแบบนี้ เราไปทํากรรมอะไรมาจึงได้ลักษณะกันแบบแปลกๆ ก, กันเนี่ยนะหรือมีสิริลับางอย่างใครเห็นแล้วก็รู้สึกหมันไส้เนี่ยนะสมค้อได้วยนะบางคนเห็นโป๊ะ ก, ก็ทําให้เกิดราคะอย่างเหนียวแน่นแล้วเขาก็มาทําบาปกรรมทําชั่วเพราะสริลัของเราเนี่ยเราจะได้รู้จักตัวเองว่าเรานั้นเป็นสัตว์มีบุญแค่ไหนจะได้ดูว่าพระเจ้านั้นเป็นผู้มีบุญขนาดไหนฉะนั้นต้องศึกษาสูตรนี้ด้วยแล้วก็ วินิใช้ในเรื่องของกุศลกรรมบดอกุศลกรรมบทเนี่นะเปรียบเทียบจึงได้มีการจะสอบถามแต่มาจะอ่านตรงนี้ก่อนนะเพื่อให้เห็นมุมมองแล้วเห็นข้อคิดตรงนี้ก่อนประการต่อมาก็คือว่าพรหมุชุกคโตเกถึงไหนแล้วข้ไปสิบหเนี่ยนะพรหมุชุกคัโตเนี่ยพรวรากายประดุดกายของมหาพรหมคือกายตั้งตรงเลยสิ เ6สิบหกสัตตุสโทก็มังสาอุโ์ในที่เจแห่งเจแห่งก็คือหลังพระหลังพหัตทั้งสองหลังมือหลังพระบาททั้งสองหลังเท้าเนี่ยนะพระอังศาทั้งสองก็คือไหล่แล้วก็รัมพระสอก็กลม17สีหะกุปพัทกายโยพระวรากายโดูดกายท่อนหน้าของราชสีสิบแปีตันตรังโศพระปิดแสดงราบเสมอกัน ด้านหลังเนี่ยให้แสดงให้สังเกตนะแผ่นหลังของเราจะผ่าออกเป็นสองท่อนแล้วก็เป็นร่องตรงกลางนี่แผ่นหลังก็แผ่นหลังก็คนทํากุศลกรรมไม่ละเอียดแต่ถ้าแผ่นหลังหรือพระบิดาดังของพระพระบรมศาสดานเนี่ยละเอียดแล้วก็เต็มแล้วก็งามลรงลูบหลังเราดูทีบางทีเผลอๆจะมีครีบข้างหลังระวังไว้นะเพาะงั้นโอนหน้าหน้ากลัว่ะ ทีนี้ระการต่อมาก็คือว่านิโครนิโคระทะปริมันโดโรก็คือพ่อวรากายดุดปริมณฑลของไม้นิโคตต้นไซนัน่นเองก็หมายความว่าต้นไซเนี่ยถ้าดูตรงนี้ก็คือว่ารากไซไปแค่ไหนกิ่งไซก็จะยาวไปแค่นั้นแหละของเราเนี่ยระหว่างแขนกับกายของเราเนี่ยไม่เท่ากันหรอก วัดไปวัดมาแล้วประหลัดประหลัดเนี่ยนะบางทีเนี่ ย, ยสมวัดตักขันโดมีรำพระอกรมเสมอกัน21ก็คือราาาักคะสัก ค, คีก็คือประสาทรับรถพักยาหารเป็นเลือดพระบรมศาสดาเนี่ยใช้เมล็ดถั่วเขียวเล็กๆนี่นะแตะที่ปลายลิ้น ปลายลิ้นเนี่ยจะมีเส้นประสาทที่รับรสไดเร็วมากจากนิดเดียวทนั้นแหละจะแพ่ทั่วสรีระได้เลยของเราเนี่ยวิตามินหยอดเข้าไปเหอะไม่ค่อยเข้าหรอกเพราะเคยไปตัดวงจรของการกินอาหารของสัตว์ไว้เยอะไปทบไปตีเขาไปตัดเส้นเลือดเขาบ้างไปทำให้กระแส ของโอชาอาหารตั้งหลายนะม่นวิ่งไปหล่อเลี้ยงร่างกายเป็นคนบางคนก็ผอมบางบา ง, บา ง, บางอ้วนก็อ้วนเกินก็เตดบ้างเนี่ยอะไรเอยอะแยะสีหานุสีหาหานุก็คือว่าพระหานุ ค, คือคือคางดุดคางราชสีจัตตารีสาดันโตพระทนก็คือฟันทั้งหมดมีสี่สิบซี่หลายท่านนับแล้วเหลือไม่ถึงห้าซี่ก็มีเนี่บางคนเนินเตายก็จะบดแล้ว สมาดันโตก็คือพระทนเรียบเสมอกันย5่พาอาวิวราดันโตพระทนเรียงชิดกันสนิท26สุสุกกาดาโทพระเขี้ยวแก้วทั้งสี่ก็ขาวงามมากประหูตัดชิวโผพระชิวหาคือริ้นเนี่ยอ่อนด้วยยาวด้วยใหญ่ด้วยเนี่ย พรหมสโรกรวิกกะพานีพระสุระเสียงดุดเสียงพรมสํเนียงดุดนกกระเวกเดี๋ยวดันจะเปรียบเทียบไปดูนะนกรรนกระเวกนกรรนกระเวกเนี่ยเสียงเนี่ยว่าเพราะที่สุดเนี่ยนะไม่เท่าเสียงอุเบกยแล้วก็อภินีระเนตรเนโตพระเนตรดำดุดสีนินสามสิบโคประมุโขโขดวงพระเนตรแจ่มใสดุดในตาของลูกโค โคดำกับโคแดงนะก็บอกว่าโคดา ก, ก็ลูกลูกโคดํานตาก็จะดำหน่อยแต่ถ้าลูกโคแดงที่เกิดในวันนั้นก็จะแจ่มใส น, นจะสวยงามมากพระเจ้าก็จะเป็นรักท่านอุณนานาะมุมันเรชาตามีพระอุณาโรมอยู่ระหว่างพระขนงอุณ า, ารวมก็คือคนคิ้วนะขาวอุณหิโสสะพระเสียรงามดุดประดับด้วยกรอบพระพัก กรอบประพักพระมหาบุรุษเพียรพร้อมได้มหาปุริสตะละขนาด32ประการนี้ย่อมมีกติสองเท่านั้นถ้าหากเป็นคารวะก็จะเป็นเจ้าประจกัจกษจักรพรรดิดีราตนผู้ทรงธรรมเนี่ยนะแต่ถ้าออกบวชก็จะได้เป็นพระสามมาสัมพุริเจ้าเนี่ยนะในรายละเอียดตรงนี้ในชั้นคําสอนเนี่ยนะก็เดี๋ยวจะตรวจสอบกันดูนะแล้วก็จะศึกษาในรายละเอียดในวันนี้ทั้งหมดเนี่ยนะ เวลาที่เหลือน่คิดว่าน่าจะน่าจะพอสมควรเลยนะที่จะสามารถจะสืบค้นคำสอนของพุทธเจ้านี่ครั้งนี้ได้เป็นต้นตรงนี้ปุบพาธิการของพระตถาคตภิกสู่ทั้งหลายพระตถาคตเคยเป็นมนุษย์ในชาติก่อนในพบก่อนในกำเนิดก่อนในชาติก่อนก็คือในกระแสขันที่เคยกระทาไว้ในชาติก่อนๆเป็นต้นนะ ในพบก่อนก็คือการอุบัติเกิดขึ้นของรูปขันเวทนาธัญาสังขารวิญญาณนั่นแหละเรียกว่าพบในกำเนิดก่อนเป็นต้นเป็นผู้ยึดมั่นในกุศลธรรมสมาทานอย่างมั่นคงในการยสุจริตสามวจีสุจริตสีมโนสุจริตสามในการจำแนกเนกทานก็คือในการเจริญทานในกุศลในการสมาทานศีลทั้งศีลห้าศีลอุโบสถในการปฏิบัติในมารดาบิดาสมณพราหมณ์ ในความเป็นผู้เคารพในผู้ใหญ่ในตระกูลในธรรมในกุศลกรรมมันยิ่งยิ่งตถาคตย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เบื้องหน้าเตยตายพรอกายแตกนะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เนี่ยนะพอก ร, รมที่ทําไว้สั่งสม พ, อพ่อภูนทําให้พบูลุญพัตถาคติครอบงำเทวดาเราอื่นในโลกสวรรค์เนี่ยนะโดยฐานะสิบประการนะครอบงำก็คือว่าอายุทิพย์เนี่ยครอบงามเทวดาในในภนะูมินั้น วันหนคือผิวพรรณก็ทิพความสุขก็ทิพยอดก็ทิพความเป็นอาทิบดีทิพรูปทิพเสียงทิพกลิ่นทิพรสทิพและโพธั่วพะทิพชั้นจุติคือตายจากโลกสวรรค์แล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้อย่างนี้หมายความว่ามาสู่ความเป็นมนุษย์นะหรือมาสู่ความเป็นเจ้าชายศิทธษฐาแหละย่อมได้มหาบุริสสารขณะนี้ตรงนี้ในชั้นคําสอนต้องไปตรวจสอบว่าในสูตรเนี้นะ ที่พระบรมศาสดาได้ลักษณะได้พลักษณะอย่างนี้นั้นเพราะอะไรได้พลักษณะอย่างนี้ก็เพราะการเจริญกุศลดังกล่าวแล้วทั้งสาสองประการเนี่ยเบื้องต้นจริงๆตรงนี้ขอสรุปประเด็นตรงนี้ก็คือว่ามหาปุริษลักษณะ ข, ของพระบรมศาสดาสาสองประการนะโดยในพิสดารเนี่ยนะในมหาประธานสูตรกล่าวไว้ด้วยในพรหมายุสูตรก็กล่าวเขาไว้นะ ก็ไปตรวจสอบในรายละเอียดอามาจะพยายามประมวลในเวลาที่เหลือทั้งสองรูปทั้งอามาเองทั้งอาจารย์มีชยัยรัตนปันโยอาศัยท่านเป็นผู้ที่มีความทรงจําได้มากหน่อยในกรณีที่สามารถจะเจาะมุมประเด็นต่างๆเหล่านี้ได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งพวกเราทั้งหลายมานั่งกันที่นี้ก็สอบถามกันได้เลยทุกประเด็นนะท่านตอบได้ <c oughs> <laughs> สมมติว่าถ้าตอบไม่ได้ท่านจะบอกว่าประเด็นนี้ตอบไม่ได้อย่างเงี้ยท่านจะตอบได้ อะไรมาก็เหมือนกันฉะนั้นตรงนี้ก็คือว่าเพราะเหตุไรจึงได้สถานะนั้นคือพวกฤาษีแม้เป็นคนนอกก็ทรงจำมหาลักษณะสาประการเหล่านี้ได้สังเกตดูในพรหมายุสูตรเนี่ยนะที่พระบรมศาสดาสแสดงโปรดพรหมายุพราหมณ์เนี่ยพรหมายุเนี่ยรู้ลักษณะส2ประการ ด้วยการที่พอทราบข่าวว่าแม้เพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้ า, จาพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์เป็นผู้ไกลจากกิเลสตัสรุปเป็นผู้เสด็จมาดีแล้วเป็นต้นเหล่านี้เป็นไปตามลําดับพระสุรเสียงหรือพระเกียรติคุณของพระบรมศาสดานี่กระชอนไปทั่วชมพูทวีปแล้วก็กระชอนไปในเทวภูมิพรหมภูมิเป็นต้นด้วยฉะนั้นเมื่อพรหมอายุทราบข่าวอย่างนั้น ว่าพระสัมมาสัสมพุทธเจ้าสเสด็จอุบัติเกิดขึ้นแล้วในโลกก็เลยให้อุตรามนพซึ่งเป็นลูกศิษย์เนี่ยนะบอกว่าลองไปดูทีว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าอย่างที่เขาว่าไวาจริงไหมถ้าเป็นพระุทธเจ้าเธอจงเอาคัมภีร์ของเราที่เราศึกษาเราเรียนมาเนี่ยว่ามหาภุริสราคณะสามสองประการจริงหรือไม่เพราะในยุคนี้ใครก็มาประกาศว่าเป็นผู้ตัดสู้เป็นผู้ไเจ้ากันเยอะ ถ้าเราจะไปในช่วงนี้ก่อนก็จะไม่ดีเพราะเราเป็นพรามผู้เท่ามีคนนับถือมากมีชื่อเสียงมากมีเกียรติยศมากด้วยอายุเราก็ต้องล่วงการผ่านวัยมามากตั้งร้อยี่สิบปีแล้วก็เลยสั่งสิทธ์ตนเองบอกให้ไปตรวจสอบหน่อยเนี่ยสิทธิ์ของพระมายุเนี่ยไปตรวจสอบพระพุทธเจ้าอยู่เจ็ดเดือนดูทุกแง่ทุก ม, มุมที่สุดจริงๆเนี่ยดูไปดูมาจนจนจ น, จนได้เห็นลักษณะทั้งสิ้นหมด ก็กลับมารายงานอาจารย์เป็นต้นเหรอเนี้ยนะ น, นี่ในร า, ายละเอียดเดี๋ยวแค่ว่ากันสรุปแล้วก็คือคัมภีร์นี้มหาบุรีสละขนาเนี่ยพรามได้เอาไปแทรกเอาไว้เอพรมจากสุทาวาสนั้นนะ่ะแปลงกายมาเป็นพราหมแล้วก็มาแทรกไว้ในตําราของพราหมณ์แต่พอพระเจ้าจะเสด็จอุบัติเกิดขึ้นมาเนี่ยนะพอจะเสด็จอุบัติเกิดขึ้นมาเนี่ยคัมภีร์นี้ก็เลือนลางหายไปนีเออหลังจากไอหลังจาก การตัดสู้ของพระเจ้าแล้วในคำพี์พรามณ์นี้ก็เลือนลางหายไปก็จะมาอยู่ในลักษณะสูตรเนี้ยแต่ในคัมภีร์ของพราม์นั้นจะบอกไว้แต่เฉพาะว่าลักษณะของบุคคลที่ได้ฐานะนี้แล้วจะมีลักษณะสองประการคือถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นจกักรพรรดิแต่ถ้าหากว่าออกบวชจะได้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นต้นเหล่านี้แต่ไม่รู้ว่าทํากรรมอะไรมาจึงได้ฐานะนี้อันนั้นเขาไม่ทราบนะนี่ตรงนี้ก็คือว่า เบื้องหน้าแต่ตายพอกายแต่เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เป็นต้นพอการรมที่ตนทําสั่งสมพอ่อปูนทําให้ไปบุญไว้ขั้นตายจากสวรรค์แล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้คือมาเป็นมนุษย์คือเป็นเจ้าชายสุดสถาป็นในขณะนี้นะก็จะได้ลักษณะอย่างนี้เพราะอนุรูปแก่เรื่องที่เกิดขึ้นด้วยสูตรนี้ว่าด้วยเรื่องของสูตรนั้นเริ่มต้นก็คือว่าถามว่าเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นมาได้ก็คือชาวเมืองสาวัตถีจับกลุ่มคุยกัน ว่าทำไมลักษณะของพระมหาบุรุษของพระพุทธเจ้าจึงงดงามอย่างนี้ก็เลยคุยกันว่าทํากรรมอะไรมาเนาะและเป็นต้นเหล่าเนี้ยเรื่องนี้่ท่านพานนท์ไปได้ยินก็นําเหตุเนี้มากล่าวแล้วก็มาสอบถามพระพุทธเจา้าแล้วพระบรมศาสดาก็ทรงแสดงว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะบอกว่ามีความงามเหลือเกินประดุษ ด, ดอกไม้สวรรค์แย้มบานสะพรั่งประดุษสวนดอกบัวที่แย้มกลีบประดุษเสารเนียดวิจิตด้วยแก้วต่างๆประดุษท้องฟ้า ซึ่งบานสะพังโดยดาวพยับแดดบอกไม่ได้ว่ามีลักษณะของพระเจ้านี้เกิดขึ้นโดยกรรมอะไรเราไม่สามารถจะรู้เลยไปเจริญกุศลกรรมประเภทไหนจึงได้ฐานะอย่างนี้เป็นต้นทรงนี้ถ้ามองอย่างนี้ก็คือว่าโดยเฉพาะลักษณะแรกที่มีฝ่าพระบาทเต็มเนี่ยนะเสมอกันเนี่ยฝ่าพระบาทเสมอกันเนี่ยตรนี้ก่อนนะดูว่า ถ้ามาบุตมีพระบาทเสมอกันเป็นอันดีคือมีฝ่าพระบาทเสมอกันเนี่ยทรงยกพระบาทขึ้นก็เสมอการฝ่าพระบาททุกส่วนจรวดพื้นก็เสมอกันพระมาุตพระหมาบุร่รถึงพร้อมในลักษณะนั้นหากอยู่คลองเรือนก็จะได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิเป็นผู้ทรงธรรมเป็นธรรมราชามีหมหาสมุทรเป็นขอบเขตทรงมีชัยชนะมีอาณาจักรมั่นคงถึงพร้อมด้วยรัตนะทั้ง7ก็คือได้จักรแก้วช้างแก้วม้าแก้วแก้ ว, กวมณีนางแก้วข้าราชการแก้วและปฤกษายกแก้วเป็นที่7 และมีราชโอรสมากกว่า 1,000 พันล้วนกล้าหารมีรูปทรงสมบัติเป็นวีรกษัตริย์สามารถย่ำยีเสนาฆ่าศึกได้พระองค์ทรงชนะโดยธรรมโดยไม่ต้องใช้อาชญยาไม่ต้องใช้สตราครอบครองแผ่นดินมีสาครเป็นขอบเขตไม่มีเสาเขื่อนไม่มีนิมิตแล้วก็ไม่มีเส้นหนามเป็นต้นตรงนี้ก็คือว่าถ้าเป็นพระราชาจะได้อะไร เมื่อเป็นพระราชาจะได้ผลข้อนี้คือไม่มีใครที่เป็นมนุษย์ที่เป็นข่าศึกศัตรูจะข่มได้เห็นไหมถ้าเป็นพระเจ้าเป็นดินจะไม่มเคยข่มได้ถ้าออกบวชเป็นบนรรพชิตจะเป็นพระพุทธเจ้ามีหลังคาคือกิเลสในโลกอันเปิดแล้วถามว่าเมื่อเป็นพระุทธเจ้าได้รับผลก็คือไม่มีฆ่าศึกศัตรูภายในไงอะไรคือฆ่าศึกศัตรูภายในราคาโทสะโมหะ ตรงนี้ก็ขยายยาวเลยกิเลสทั้งหลายเป็นศัตรูภายในหรือศัตรูภายนอกก็คือสำนนพรามเทวดามารพรลมใครๆในโลกขมไม่ได้เพราะพระพุทธเจ้าได้ตรัสเนื้อความนี้โบราณอาจารย์ก็ขยายความทีนี้ถ้าดูในชั้นของคําสอนที่ได้กล่าวไปแล้วก็คือพระพุทธเจ้าเป็นมนุษย์ตถาคตเคยเป็นมนุษย์พระพุทธเจ้านั้นเน่ย ผ้ามหาบุรุษแม้เป็นช้างเป็นม้าเป็นโคเป็นกระบือเป็นวานน์เป็นต้นก็ทรงบำเพ็ญบารมีได้เหมือนกันแต่เมื่อดํารงอยู่ในอัตภาพเช่นนั้นแล้วไม่สามารถแสดงกรรมที่ทรงทำมาได้โดยง่ายแต่เมื่อดํารงอยู่ในความเป็นมนุษย์จึงสามารถแสดงกรรมที่ทํามาได้โดยง่ายฉะนั้นจึงตรัสว่าตถาคตเคยเป็นมนุษย์นะต้องเข้าใจประเด็นว่าเคยเป็นมนุษย์ทันหาหรือทันหาสมาทานโก็แปลว่า เป็นผู้ยึดมั่นยึดมั่นก็แปลว่าถือมั่นนั่นแหละในกุศลธรรมก็คือในกุศลกรรมมาบท10พระกุศลธรรมในที่นั้นน่ะก็คือยึดมั่นในการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการมยึดมั่นในการไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคําหยาบและไม่พูดเพ้อเจ้อยึดมั่นในการไม่ในความไม่โลภไม่โกรธแล้วก็ไม่ยึดมั่นในมิชชัทิฏฐิทีนี้ให้สังเกตว่ากรรมเนี่ย ถ้าอย่างเราศึกษาพระธรรมตรงนี้โดยมากถ้าอากุศลกรรมทั้งหลายเนี่ยเราก็บอกว่าถ้าไม่ครบกรรมรบทก็จะไม่ค่อยเป็นไรหรอกใช่ไหมะฉะนั้นกรรมที่ครบกรรมรบทเท่านั้นที่จะให้ผลในปฏิสนธิการได้โดยมากเราจะคิดก็นแค่นี้ไงแต่เดี๋ยวจะไปเก็บประเด็นในคำสอนความค่องใจทั้งหลายในครั้งนี้ว่าที่จริงแล้วไอ้กรรมที่ไม่ครบกรรมรบท มันก็ให้ผลในประวัติกรรมแล้วก็สร้างความเจ็บปวดกันได้เยอะอย่างไรด้วยตรงนี้นะเราจะได้มาถกมาหามุมทีนี้คำว่ายึดมั่นเนี่ยธรรมท า, านมั่นคงนั่นแหละในกุศลกรรมบท10เหนียวแน่นเป็นนิดคือยึดมั่นไม่ถอยหลังจิตของพระโพธิสัตว์ย่อมหดกลับจากอากุศลกรรม ถ้าเจอปาณาติบาตเจอว่าจะฆ่าสัตว์จะลักทรัพย์จะประพฤติผิดในกรรมหรือจะพูดเท็จส่อเสียดคำหยาเพื่อเจอือเช่นมาฟังธรรมเนี่ยนะท่านจะไม่ปล่อยให้บาปเกิดในใจท่านเด็ดท่านจะหดหนีเหมือนปีกไก่ต้องไฟปีกไกไ่ไปถูกไฟปุ๊บจะหดหนีจะหดหนีแต่ถ้าเป็นกุศลแล้วท่านจะตั้งมั่นจะเหยียดตรงเหมือนกับเพดา น, นแล้วท่านก็ยศที่ยกตัวอย่างเมื่อเช้านั่นแหละ ตรงนี้เป็นข้อบ่องบอกว่าในชั้นของคําสอนท่านถึงบอกว่ามหาสมุทรเนี่ยถึงแม้ว่าจากถึงแม้ว่าจากเป็นสิ่งที่กว้างรละลึกแต่ถ้าท่านมุ่งมั่นว่าจะต้องข้ามให้ได้ก็ปรากฏเหมือนน้ําที่น้อยเหมือนของที่น้อยท่านถึงบอกกัเทวดาท่านถึงบอกกับเท้าสากาเป็นต้น ถ้าเป็นพญากระแตก็บอกกระเท้าสก่าแม้ถ้าเป็นพระมหาชานก็บอกเทวดาเป็นต้นบอกว่าหมาสมุดเหมือนน้ําที่น้อยๆท่านจักเขียนเองเราจะไหว้ข้าหมาสมุดแล้วจักนาทรัพย์จากหมห า, าสมุดฝั่งโน้นยึดราชสมบัติในแคว้นอันเป็นของตระกูลแล้วจักบริจาคทานแล้วจักรักษาศีลแล้วจักบําเพ็ญเดช ข, ขมารเป็นต้นให้ได้เทวดาก็คิดว่าเราไม่อาจจะให้บุรุษนี้มีผู้มีใจประเสริฐเนี่ย เลิกละสิ่งที่ตนสมาทานไว้อย่างมั่นคงในกุศลกรร ม, มาบทเป็นต้นได้หรือในความเพียรที่ยิ่งยวดได้อย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นตถาคตจึงเป็นผู้ยึดมั่นในกุศลกรรมมาบทใช่ไหมก็คือในการยศจริตเป็นต้นในการจําแนกทานเป็นต้นเหล่านี้ตรงนี้ก็เลยมากล่าวบอกว่ากามรมมาวจรกุศลทั้งหมดน่ะชื่อว่ากุศล ถ้ารู้ก็มหากุศลแปดวงน่ะชื่อว่ามหาชื่อว่าชื่อว่ากุศลกุศลกรรมบว10ิบก็ชื่อว่ากุศลใช่ไหมก็ชื่อว่ากุศลอรูปาวจรกุศลก็เป็นอธิกุศลเลยอย่างเงี้ยรูปาวจรกุศลก็เป็นอธิกุศลแต่ถ้ามหากุศลด้วยรูปาวจรกุศลด้วยก็เป็นกุศลอรูปาวจรกุศลนั่นก็เป็นอธิกุศลถ้ามาแยกใยความเป็น ปเจกโพธิยานสาวกโพธิยานปัจเจโพธิยานและสัมมาสัมโพธิยานก็สาวกสาโพธิยานนี่ก็เป็นกุศลปัเจกโพธิยานก็เป็นอธิถ้าเอาสาวกสาโพธิกับปัจเจโพธิเป็นกุศลสัมมาสัมโพธิก็เป็นอธิกุศลฉะนั้นพระโพธิสัตย์ยึดมั่นในอธิกุศลนี่ประเด็นเป็นไปในลักษณะนี้ส่วนประเด็นที่เราจะมาเริ่ม ถกกันในเรื่องนี้ก็คือจะพูดถึงในเรื่องของกุศลกรรมบทและก็จะดูฝ่ายตรงกันข้ามแล้วก็จะดูในสูตรนี้เทียบเคียงไปในการจเจริญกุศลของเราท่านทั้งหลายเนี่ยนะในการฟังธรรมในครั้งนี้ตรงนี้ก็จะให้ทางท่านอาจารย์มีชัยเป็นผู้ตอบมามาก็จะเป็นผู้ถามไปด้วยนะเป็นผู้ถามเกี่ยวในเรื่องของกุศลกรรมบทสิบ ให้ท่านขยายมุมของกุศลกรรมบทสิบให้เห็นภาพทั้งกรณีที่ว่าเป็นกรรมทั้งหลายเหล่านี้นะนะเป็นกรรมเป็นกุศลกรรมบทและที่เป็นไปแก่การครบองค์นี่นะแล้วต่อไปเราก็จะดูได้ดูอนิสงส์แล้วก็จะมาเทียบเคียงพระโพธิสัตว์ท่านทำกรรมของท่าน ที่กรมที่ปานีดในกรณี่งการเจริญบา ร, รมีทั้งหลายเป็นต้นได้อาของยมุนต่างเดือ่ น, นอเจริญพรญาติยโยมทั้งหลายนะโยมนะ ก็วันนี้เป็นโอกาสดีได้พูดเรื่องกรรมบวนะโยมเนืองจากอาจารย์สมทบท่านอธิบายโยมถึงเรื่อง <c oughs> การเจริญกุศลแล้วก็พระโพธิสัตว์ในชาติก่อนกำเนิดก่อนน่นะท่านก็กว่าจะได้มาบุริสละขณะอย่างแรกมาคือพระบาทเต็มเสมอเรียบดีนะก็ได้ด้วยการเป็นผู้ตั้งมั่นนะนะในการเจริญกุศลทั้งหลายกุศลกรรมบว นะแล้วก็ให้ทารักษาศีลเหล่านี้นะหรือจะลืลืลือตลอดจนจเจริญบา ร, รมีทั้งหลายซึ่งตรงนี้อาจารย์ก็เลยพูดถึงอกุศลด้วยนะปกติชีวิตมนุษย์เราก็จะรู้จักอกุศลเนาะอย่างที่รู้ว่าอคุศลอกุศลของพวกเราที่เราจะกลัวกันก็จะกลัวอคุศลที่คบองค์เรียกว่ากรรมบทนั่นเองเช่นถ้าพูดถึงการฆ่าสัตว์จริงๆแล้วก็ได้ยินได้ฟังกันมาเยอะแล้วนะการฆ่าสัตว์เราก็จะกลัวเพราะว่าฆ่าสัตว์เป็นเรื่องไม่ดี ก็เป็นที่เรารักษาศิน5กันด้วยใช่ไหมสินห้าข้อที่1ก็ห้ามฆ่าสัตว์แล้วก็จะรู้ว่าองค์ประกอบของการห้ามฆ่าสัตว์มีเท่าไหร่เอ่ยมีห้าข้อเนาะทวนนิดนึงแล้วกันนะเนาะไหนก็หก็ปา โ, โนะเนาะสัตว์มีชีวิตนะสปานสัญยิตานะแปลว่ารู้ว่าสัตว์นั้นมีชีวิต3วัฏถะจิตตังนะมีจิต คิดจากข้อสอุ ป, ปั ก, กโมมีความพยายามนะส่วนสุดท้ายอันที่5ก็คือเจนะมอระนังสัตว์นั้นตายลงด้วยความพีนั้นตัวนี้ก็คือองค์ขององค์ประกอบของการกระทําบาปที่เรียกว่าครบกรรมบทเมื่อครบแล้วก็จะเป็นเหตุให้ให้ผล2 อ, อย่างใช่ไหมโยมอย่างที่เรารู้กันก็คือ1ให้ผลในปฏิสนธิการนะเป็นตัวทํากิจ ในปฏิสนธิกิจเองเลยนั่นเองนะหรือถ้าเขาไม่สามารถหรือไม่มีโอกาสทำให้ผลในปฏิสนธิการเขาก็ใช้ผลในประวัติการนั่นเองนะถ้าใ ห, ให้ถ้าเขาเมื่อเขาให้ผลในปฏิสนธิการก็ใช้ผลในอบายภูมิทั้ง4นั่นเองนะวายภูมิสี่ก็ให้เป็นปราเรสุรกายสัตว์นรกแล้วก็สัตว์เดรัจฉานซึ่งเมื่อเช้าก็ได้ฟังไปแล้วเรื่องเรื่องว่า ภูมิไหนดีกว่ากันใช่ไหมสัตว์นรกกับสัตว์เดรัจฉานอะไรดีกว่ากันเดรัจฉานเดรัจฉานกระเพดอะไรดีกว่ากั น, เ, นเออเมื่อเช้าจะมาเหมือนจะได้ฟังอบายภูมิมีแค่สามเองโยมหายไปในหนึ่งก็ไม่รู้อสุรากายหนึ่งเนอะเออทาไมหายไปเละโยมอ๋อจัดอยู่ในเปรตนั่นเองนะเออก็คุยกันเผื่อไว้นะเดีย๋ยวเกิดมีใครลืมหรือสงสัยว่าทําไมอสุรากายจึงไม่กล่าวอสุรากายจริงๆก็เป็น กลุ่มเปตตระกูลหนึ่งอันนั้นเองนะเป็นกลุ่มปเปตตระกูลหนึ่งที่จะจัดเป็น3ก็ได้เป็น4ก็ได้แต่บุติเราจะได้ยินว่า4นั่นเองนะก็อกุศลอย่างข้อข้อแรกที่ปานปฏิบาตการทําชีวิตสัตว์ให้ตกร่วงเมื่อครบองค์ประกอบก็จะ ท, ะทําปฏิสนธินะในอบายภูมิทั้ง4ี่ภูมินั่นเองนะแต่ถ้าเขาไม่สามารถให้มีโอกาสนะทำปฏิสนธิในปฏิสนธิการก็จะให้ในประวัติการคือหลังจากเกิดมาแล้ว หลังจากที่เราเกิดมาแล้วเนาะก็เขาก็จะเริ่มให้ผลแล้วให้ผลในเช่นให้มีรูปร่างหน้าตาใช่ไหมที่ไม่สวยไม่งามนะเป็นคนเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างนี้เป็นต้นหรือที่เราเรียกกันง่ายๆก็ว่าว่าให้มีตาเห็นรูปภูได้ยินเสียงจมูกรู้กลิน่นลิล้นรู้รสกายรู้สัมผัสที่ไม่ดีนั่นเองนะ จริงๆก็คือตลอดชนใจคิดถึง4เสียงเคารพสัมผัสหรือใจคิดถึงธรรมอารมณ์ที่ไม่ดีด้วยนะอันนี้เขาก็จะเป็นผลในที่เรียกว่าประวัติการนะนะประวัติการบาปที่คบกรรมบวก็ใช้ผล2อย่างนะจําแนกเป็น2อย่างก็คือให้ผลในปฏิสนธิการนะอีกส่วนหนึ่งก็ให้ผลในประวัติการนั่นเองเนาะซึ่งตรงที่มีก็เราพูดไปองค์5ตัวที่เป็นบาปจริงๆเป็นตัวไหนเอ่ย ไม่ใช่องค์ที่หนึ่งใช่ไหมปาโนสัตว์นั้นมีชีวิตนี่ไม่ใช่ปานะสันปานะสัญยิตาตัวนี้ก็ไม่ใช่เนาะจะเป็นตัวที่วัตกะจิตตังนะวัตกะจิตตังนี่เป็นจิตจิตนะพูดถึงจิตก็หมายถึงเจตนานั่นเองนะเจตนาที่ตั้งว่าจะฆ่านั่นเองนะเมื่อเจตนานี้ตั้งขึ้นในเจ้าตัวนี้แหละที่เป็นตัวอกุศลเป็นบาปนะถ้าเป็นอกุศละจิตสิก็อยู่ในพวกโทสะมูลจิตนั่นเองนะจะเป็นพวกที่ถูกชักชวนหรือไม่ถูกชักชวน ก็แล้วแต่แล้วแต่กันไปว่าขณะนั้นคิดด้วยอย่างไรนั่นเองนะตัวนี้คือตัวบาปตัวบาปตัวอคุศลที่ตั้งขึ้นนะตัวอกุศลที่ตั้งขึ้นส่วนอุปกรรมความเพียรนะนะหรือว่ายาโมเนี่ยตัวเดียวกันนะความเพียรเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นเป็นตัวที่ประกอบอยู่ในจิตนะแต่ตัวนี้เขาตั้งเป็นอีกองคหนึ่งหรือองค์สุดท้ายที่เตนะมรนังนะสัตว์นั้นตายลงใน5องค์นี้องค์ที่เป็นตัวกรรมจริงๆ นะตัวที่เป็นบาปจริงๆคือวัฏกะจิตตังนะสังเกตก็ถ้าสุวนใหญ่จะอยู่ในถ้าเป็นข้ออื่นด้วยก็จะอยู่ในช่วงประมาณข้อ3นี่แหละนะที่เป็นตัวอคุศนซึ่งตัวนี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วในใจของเราบาปก็ตั้งขึ้นนะเป็นอคุศนเป็นโทสะนะถ้าตั้งขึ้นปุ๊บนะเช่นโกรธที่จะฆ่านะแต่ฝั่งตรงข้ามไม่ใช่สิ่งมีชีวิตอย่างนี้เป็นต้นเช่นโกรธแล้วก็หันพักอย่างนี้เป็นต้น มันเก็มีครบองค์ใช่ไหมโยมนะแต่โกรธแต่โกดอยู่นะคิดใจว่าฆ่ามันฆ่ามันเคยโกรธใครแล้วก็หั่นผักด้วยคิดว่าเจ้าคนนี้คือผักไหมอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็หั่นหันหันอย่างนี้นะบาปก็ไม่สําเร็จเป็นครบองค์นะก็ไม่สามารถให้ในปฏิสนธิการได้แต่จะให้ผลในประวัติการเออเราต้องกลัวบาปแบบนี้ไหมกลัวไม่กลัวโยมก็แต่ส่วนใหญ่ชาวโลกเขาไม่กลัวกันเนาะเขาเะจะไม่กลัวกัน ซึ่งจริงๆจริงๆแล้วเวลาเวลาเวลาอุบาสกอุบาสิกาในศาสนานี้หลักพูดคุยกับพระพุทธเจ้าหรือว่าไปฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็จะแสดงธรรมนะแสดงรู้จักอะไรเอ่ยไม่ได้แสดงให้รู้จักวิปัสสนาไม่ได้แสดงรู้จักสมถะก่อนแต่รู้จักเรื่องจากบุญเรื่องบาปให้แยกระหว่างบุญบาปเป็นนะให้รู้จักว่าอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปแล้วก็อย่างที่ยากที่สุดให้รู้จักกรรมบว นี่นยากที่สุดนะเรียกว่าขั้นต่ำที่สุดเลยเธอต้องจักกรรมบทชนะว่านี่อย่างเงี้ยบาปขั้นขนเนี้ยเรียกว่ากรรมบวนะพอให้ผลตกอบายคือทําปฏิสนธิในอบายภูมิทั้งสีได้แต่ถ้าไม่ครบบาปนี้ยังให้ผลนะจะต้องให้ผลให้เราเดือดร้อนต่อไปแต่ทําไมต้องแยกเป็นกรรมบทชกับไม่เป็นกรรมบทวชนี้จิ้งพยายามชี้เข้ามาก่อนนะนะเพราะว่ากรรมบทชนี้ให้ผลรุนแรงนะส่วนที่ไม่ถึงกรรมบทให้ผล เบาลงมานิดนึงเราเบาลงมานิดนึงแต่ไม่ใช่ไม่มีอกเขาจะไม่ส่งผลให้เราไปอบายภูมิโดยวิธีหนึ่งวิธีใดเลยนะเขาเขายังให้เช่นว่าอย่างที่เราเคยเรียนเรื่องกรรมมาใช่ไหมยโยมอกุศร จ, จิตที่เกิดขึ้นแล้วเขาไม่ถ้าทํา ส, ทสามารถเป็นทําให้นําเกิดได้ก็จริงแต่เขาสามารถทําอุป ป, ปีหรืออุ ป, ปคาตกรรมมาเบียดเบียนด้วยก็ได้ใช่ไหมเบียดเบียนให้ ให้อกุศลที่แรงๆทั้งหลายที่คบกรรมบดนะมาให้ผลได้อย่างนี้เป็นต้น น, นี่ก็ส่วนหนึ่งีนส่วนหนึ่งก็คือให้ผลอย่างทิมกี้เราบอกว่าให้ผลในประวัติการทำให้เราได้เห็นไม่ดีได้ยินไม่ดีได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสหรือนึกคิดเรื่องราวที่ไม่ดีนั่นเองนะซึ่งซึ่งสิ่งนี้ถ้าพูดว่าการเห็นไม่ดีเราก็อาจจะยังนึกนึกไม่ได้ว่าเออเห็นไม่ดีก็ไม่รู้สึกว่าการเห็นไม่ค่อยจะดี ที่ดีไม่ดีก็ไม่ค่อยมีน้ำหนักมากเท่าไหร่แต่จริงๆแล้วเราก็สังเกตชีวิตเราว่าที่เราเดือดเนื้อร้อนใจกันเสียใจกันมากๆเนี่ยทุกใจกันมากๆเนี่ยไม่ใช่เพราะการเห็นมันแปรเปลี่ยนหรอเราเคยเห็นว่าคนคนนี้เคยดีกับเราแต่วันวันพอมาวันนี้คนคนนี้เขาทำหน้าบึ้งใส่เราอย่างเงี้ยเรากลับโกรธใช่ไหมเรากลับเสียใจทุกใจซึมเศร้า จริงๆก็เพราะว่าสีมันแปรปวนสีมันแปรเปลี่ยนนะใช่ไหมก็เกิดจากบาบแบบนี้แหละที่ไม่ครบกรรมบทก็ให้ผลอย่างนี้นะอย่างที่เมื่อกี้เราพูดถึงว่าทกษะจิตตังคือจิตอย่างนี้เกิดขึ้นแต่ยังไม่ยังไม่ครบกรรมบทเช่นไปลงไปลงกับผักไปลงกับกําแพงนะไปลงกับพื้นก็คือเอาเท้าก็เทืบใส่พื้นอย่างนี้นะอย่างนี้เป็นต้นคือบาบแบบเนี้ยก็ให้ผลนะจะให้ผลในสิ่งที่เราไม่ปรารถนาไม่ชอบใจ ไม่ถูกใจไม่อยากได้เลยสิ่งอย่างนี้ไม่อยากเห็นเลยไม่อยากได้ยินเสียงตำหนิตเตียนคำดา่าคำว่าแบบนี้เลยทำคำที่ทำให้ช้าใจแบบนี้เลยแต่ต้องได้ต้องประสบต้องพบต้องเจอคุ้มกันไม่โยมไม่คุ้มนะไม่คุ้มตรงนี้นั่นเองนะจึงเป็นประเด็นที่ที่เราต้องต้องตระหนักต้องรู้นะต้องตระหนักแล้วต้องรู้ว่า จริงๆชีวิตเราต้องการอะไรเราต้องการสิ่งที่ดีในชีวิตแต่ฉนันเราจึงสร้างเหตุที่ตรงกันข้ามกับชีวิตของเราเราฉนัยเราบอกว่าเราต้องการเห็นได้เห็นสิ่งที่เราปรารถนาชอบใจหรือเสียงที่เราดีใจชื่นใจสุขใจแต่เวลาเราสร้างเหตุทําไมเราถึงสร้างเหตุเป็นฝ่ายบาฝ่ายกุศลอย่างยกประเด็นของอกุศลกําหนดข้อแรกใช่ไหมเรื่องปานอาทิบาตถ้าครบองค์ก็แน่นอนแหละแต่ถ้าไม่ครบองค์มันก็ยังรุนแรงนะ แล้วเราสร้างขึ้นมาทําไมนะตรงนี้ก็พูดสอ ง, สองแง่สองบุมพร้อมกันไปเลยนะคืออย่างต่ําที่สุดที่ว่าที่ว่าชาวโลกของเราควรจะมีรักรักษาให้ได้ซึ่งซึ่งกุศลกรรมบวแล้วก็เลี่ยงอกุศลกรรมบว ท, ทั้ง10ให้ได้นั่นเองนะก็จะเป็นการรักษาครองความเป็นแชมป์ความเป็นมนุษย์ของเราต่อไปก็คือคือจะไม่ไม่ตกต่ํากว่ามนุษย์นะไม่ตกต่ํากว่ามนุษย์นั่นเองนะ ซ่งอันนี้เนี่ยสมมาเชื่อว่าโยมในที่นี้ทุกคนก็ต้องการแบบนี้เหมือนกันพรอโยมในที่นี้อายุก็ไม่มีใครน้อยๆกันแล้ววันก่อนสมมาได้คุยกับสั ม, มเนนได้คุยกับสั ม, มเนนด้วยนะสัมมเนนอายุน้อยๆเห็นอยู่เนาะโยมเนาะสัมมาเนนที่เรื่องนี้ปุ๊บสัมาเนนบอกว่าผมจะไม่ทําบาปอีกแล้วครับผมกลัวมากเลยแล้วจิตที่คิดจะฆ่าก็ไม่กล้าให้เกิดขึ้นด้วยเดียว่าแต่ครบกรรมบวนะโยมไม่คบกรรมบวสั ม, มเนนก็บอกว่าไม่เอาแล้วกลัว อ่นี้เป็นต้นเออแปลว่าจริงๆแล้วจะมาเชื่อว่าขนาดเด็กเด็กตัวน้อยๆถ้าเนนไม่บวชก็เด็กไม่รู้เรื่องคนนึงแต่เขาฟังแล้วเขายังเข้าใจแล้วเขาคิดว่าชีวิตนี้เขาน่าจะไม่ต้องฆ่าสัตว์อีกแล้วนะเขาจะไม่เผื่อฆ่าสัตว์อีกแล้วเพละว่าเปราะว่าสิ่งเหล่านี้ทําสามเณรเด็กน้อยๆยังฟังแล้วเข้าใจรู้เรื่องแล้วก็เอาจริงจะมาเชื่อว่าโยมในที่นี้ทุกคนฟังแล้วก็จะเอาจริงเหมือนกันเนาะโยมเนาะอย่างนี้เป็นต้นก็คือ ละอกุศลที่ครบองค์โดยได้อย่างแน่นอนในชีวิตนี้นะแล้วก็ถ้ดีกว่านั้นก็ขึ้นมาอีกระดับหนึ่งก็คือละจากอากุศลที่ไม่ครบองค์ด้วยนะที่ไม่ครบองค์ด้วยโดยเห็นรู้ความเป็นโทษเป็นภยัยเพราะเรารู้แล้วเนาะอย่างเป็นต้นว่าโทษภัยของเขาของอกุศลจิตอย่างอย่างข้อแรกเป็นโทสะว่ตกาจิตตังเนี่ยเป็นโทสะมูลจิตนะโทสะมูลจิตที่มีโทสะนะเจตสิก ค, คือจิต เจตสิกที่คิดจะประทุษร้ายเป็นประธานนั่นเองนะตัวนี้นั่นเองให้ผลในฝ่ายที่ไม่ดีฝ่ายที่แย่ฝ่ายที่ไม่สมปาถนาจริงๆแล้วอกุศลหัึงถึงสงก็ให้ผลไม่น่าปาถนาทั้งหมดใช่หเนาะไม่น่าปาถนาทั้งหมดก้อนนี้ก็เป็นข้อที่1 น, นะปาณาติบาตข้อที่1ก็พูดรวมไปด้วยเลยอาจารย์มีอะไรเพิ่มเตนะิม ในในชั้นของปานาติบาตก็จะได้มีเรื่องถามและทัวเนี้ยนะการให้ผลเกี่ยวในเรื่องข้อของปานาติบาตนี่พูดถึงเรื่องอกุศลกรรมบทก่อนอกุศลกรรมบทเนี่ยนะก็คือเจตนาที่เป็นไปกับทางที่จะออกมาทางกายกรรมวิีกรรมเป็นต้นเหล่านี้ทีนี้ในชั้นของปานาติบาตการให้ผลของกรรมดังกล่าวก็คือว่าเมื่อสักครู่ท่าน อาจารย์มีชัยนะท่านบอกว่าส่งผลสองการนะคือปฏิสนธิการก็หมายถึงการให้ผลในการเกิดเมื่อใกล้จะตายกรรมที่ทําครบกรรมาบททั้งหลายก็จะมาเป็นปัจจัยแก่การทําให้จิตนั้นจับเอาอารมณ์นั้นหรือความคิดนึกก็จะคิดหน่วงอารมณ์นั้นนะก็รู้สึกเกี่ยวกับอกุศลกรรมที่ตนเองทําไว้ เหมือนอะไรดีเหมือนกับการเรียกข้อมูลบาปทั้งหลายมาปรากฏในเวลาใกล้าตายเนี่ยผลที่จะปรากฏก็ย่อมเป็นไปกับความชั่วจิตจับอารมณ์ในขณะนั้นที่เรียกว่ามรณาสถานการใช่คือการที่ใกล้าตายเนี่ยก็จะเป็นปัจจัยทำให้ได้ทุกขตินิมิตนิมิตในการที่จะลงอาบปบยภูมิคือการไปเกิดเป็นสัตว์นรกเปต สัตวเดรัจฉานเป็นอสุรกายถ้านในประวัติการการให้ผลหลังเกิดหลังการเกิดเมื่อใกล้าตายนั้นน่สมมุติว่ากรรมที่เกี่ยวกับปานาติบาตไม่ให้ผลแต่เป็นกุศลกรรมให้ผลแทนก็จะทำให้ท่านผู้นั้นน่ะได้นิมิตที่ดีเขาเรียกว่าสุขตินิมิตนี่แหละทำให้ได้เกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาใช่ไหมแต่ อากุศลกรรมที่ตนเองทำไว้ที่ไม่ได้โอกาสในการให้ผลในประวัติการนั้นในปฏิสนธิการนั้นน่อากุศลกรรมเหล่านั้นหรือบาปเหล่านั้นก็จะมาให้ผลในในประวัติการทีนี้การให้ผลในประวัติการนี่นะตรงนี้ก็จะสอบถามการให้ผลในประวัติการถ้าปฏิสนธิการก็ไม่ไม่สงสัยแลว ข้อนำลงสู่การเกิดเป็นสัตว์นรกบ้างสัตว์เดรัจฉานบ้างเปรตบ้างอสุรกายบ้างเมื่อสักครู่นี้นะท่านอาจารย์มีชัยก็บอกว่าถ้าให้เกิดมาเป็นมนุษย์เป็นต้นเหล่านี้ก็ได้รับความเจ็บปวดและก็ได้รับสีเสียงเป็นต้นในสิ่งที่ตนเองไม่พึงปรารถนาในข้อของกรรมที่จะให้ผลในประวัติการที่ว่าเหมือนเศษของกรรมก็ว่าได้เนี่ย ในข้อแรกๆต้นๆทั้งหลายเนี่ยถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์นี่นะในข้อแรกบอกว่าเกี่ยวกับเรื่องกรรมที่เกี่ยวกับสัตว์มีชีวิตรู้ว่าสัตว์มีชีวิตมีจิตคิดจะฆ่านั่นแหละแล้วก็มีความเพียรความพยายามหรือเพียรพยายามจะทรมานสัตว์ให้ตายแล้วข้อที่5กัสัตว์นั้นก็ตายลงเพราะความเพียรพยายามนั้นเป็นต้นทีนี้กรรมที่จะให้ผลในประวัติการนะ ให้ผลในปกติการไม่กล่าวเรื่องของให้ผลในปฏิสนธิการเนี่ยเพราะปฏิสนธิการ เ, เรียบร้อยแล้วถ้านาเกิดก็อบายภูมิเลยถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์เ้าบอกว่าในข้อแรกเนี่ยจะทําให้ร่างกายทุกพลภาพเช่นเป็นคนพิการหรือได้รับอุบัติเหตุเสียวายวะกลายเป็นคนพิการไปเนี่ยนี่คือข้อแรกถ้าข้อที่2บอกว่ารูปไม่งามหน้าตาไม่สวยไม่น่าดูเนี่ย ข้อที่สามก็อ่อนแอเป็นคนที่อ่อนแอนะก็มีกำลังกายเฉยชาห้าก็เป็นคนหวาดกลัวได้ง่ายเป็นต้นก็จะสอบถามให้ท่านอาจารย์ท่านได้อธิบายเป็น ม, มุมๆมไปว่าทุพพลภาพรูปไม่งามร่างกายอ่อนแอเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับการฆ่ามันไปเกี่ยวกับอะไรกับการฆ่า หรือกรรมที่ไม่ครบกรรมาบทเนี่ยมันทําไมไ ม, มาให้ผลได้ได้ลักษณะอย่างนี้ขออนุญาตครับอาจารย์ครับรก็อย่างชิมกี้เรารู้ว่าอกุศล น, น่ะนะเวลาให้ผลก็ทําให้มีอวัยวะร่างกายทุกพลภาพนะเนาะก็จะสังเกตได้ว่าเวลาเราเราทําปันอธิบาทครบองค์เดี๋ยก่อนเลยนะเอาครบองค์ก่อนเลยเราก็บางทีเราจะฆ่าสัตว์เนี่ย กว่าสัตว์จะตายเช่นเราก็ต้องขักแขนักขาเขาก่อนใช่ไหมกว่าเขาจะช้ำเจ็บช้ำจนตายเนี่ยใช่ไหมเหมือนกับไปรู้โยมในที่นี้อาจจะเป็นผู้หญิงอาจจะไม่ค่อยมีใครตอนเด็กๆอาจจะไม่ค่อยสนเนาะเช่นยิงนกอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะเอาปืนไปยิงปลาอย่างเงี้ยนะไม่ค่อยมีใช่ไห ม, น, มน้นาโยมเนาะก็จะเห็นชัดว่าแต่ถ้าใครเคยเห็นหรือว่าเคยดูในโทรทัศน์ทั้งหลายนะเวลาเขาจะฆ่าสัตว์ สัตว์นั้นก่อนจะตายไม่ใช่มาถึงจะตายทีเดียวใช่ไหมเหมือนกับอะไรนะเหมือนเอาเอามาตัดเหมือนเอาคนไปตัดหัวใช่ไหมแฟบเดียวตายเลยนะไม่รู้สึกตัวอีกเลยแต่จริงๆแล้วกว่าจะตายได้ทุรนทุรายไม่ยมเอาอย่ว่าทั้งหลายบิดเบี้ยวใช่ไหมนะเช่นบางทีจะฆ่าปลาสักตัวหนึ่งนะอาจจะไปหักคีบหักหักอะไรเขาก่อนหักเช่นปลาดุกอาจจะต้องไปทำลายเงี่ยงเขาก่อนอะไรอย่างนี้นะ หรือว่าอะไรเป็นอย่างที่เป็นต้นหรือว่าก็จะเห็นชัดว่ากว่าที่เขาจะตายเขาจะต้องสูญเสียอาอยุวะเราอื่นก่อนอย่างนี้เป็นต้นกรรมเนี้ยเวลามันให้ผลนะให้ผลเต็มๆในในช่วงช่วงประวัติการนะ่ะถ้าเขาให้ผลได้แรงที่สุดเลยนะเขาตัดเอาชีวิตเราไปเลยเช่นว่ามนุษย์ยุคนี้ควรจะมีเจ็สิบห้าปีใช่ไหมโยมนะเป็นประมาณเราก็ถ้าเขามาตัด ตัดได้ตอนอายุ50เราก็ตายตอน50ถ้าตัดตอนอายุ30เราก็จะตายตอน30เนอะถ้าตัดได้น้อยกว่านั้นนะอายุ20กว่าๆเนี่เนาะก็จะตายตอนนั้นน่ะ น, นะไม่แน่ไม่นอนนะมันไม่ใช่ว่าจะพ้นกันง่ายๆนะมันจะบอกอยู่ยาวแน่ๆอยู่ยาวแน่ๆไอ้ส่วนหนึ่งคือเราไม่รู้ว่ากรรมที่เราทำเนี่ยมันทำเมื่อไม่ใช่ชาตินี้ก็มีใช่ไหมอดีตชาติก็มีเยอะแยะ นะอันนี้เขาทำเขาตัดเลยนะเขาอุปาคาต ก, กรรมตัดตัดชีวิตทั้งหมดที่มีออกไปเลยแต่ถ้าเขาแต่ถ้ากุศ ล, ลกรรมของเรายังมีอยู่บ้างเขาก็มาตัดรอนบาปก็มาตัดรอนบุญก็ตัดกันไปตัดกันมานะเหมือนอะไรดีเหมือนกับเหมือนกับคบแข่งกันอยู่เนาะว่าใครมีกําลังมากกว่าซึ่งบางทีมันก็เหลือกําลังของบาบมานิดเดียวเขาก็มาให้ผลตอนที่เรามีชีวิตใช่ไหมบางทีเราก็อาจจะแขนหักขาหัก เดิ น, งงด น, นเดินไปอย่างเงี้โดนรถชนแขนหักเดินเดินไปอย่างวันก่อนได้ยินไม่ชีคนหนึ่งบอกว่าตกรถลงมาหูหูหูก็ใช้ไม่ได้ไปนหนึ่งข้างนะร่ไม่ชีคนหนึ่งมีแต่ไม่ชีนะเนื่องจากเรื่องในวัดนะนยมนะไม่ชีคนหนึ่งโดนรถชนตาตาข้างหนึ่งก็เสียไปเลยนะเสียไปเลยใช้ไม่ได้เลยอย่างงี้เป็นตน้นก็อย่างงี้ก็เป็นกลุ่มของที่อกุศลพวกปฏิบาต ที่ครบองค์ด้วยตามมาให้ผลในประวัติการอาอยวะของเราที่เคยคร บ, ครบก็จะไม่ครบไม่บริบูรณ์นะนะไม่ครบไม่บริบูรณ์หมดไปนะอาจจะมีมาตอนเกิดมาใหม่ๆอาจจะครบครบทั้งหมดแต่พอไปเรื่อยๆก็อาจจะเริ่มเริ่มเสื่อมเร็วกว่าปกติเริ่มเสียเร็วกว่าปกติหรือว่าหายไปเลยนะหายไปเลยเช่นฟันหายไปนะหมดฟันมี ฟันเคยมีก็หมดไปอย่างรวดเร็วอย่างนี้เป็นต้นเหล่านี้นะก็เป็นกลุ่มของที่อกุศลชนิดอย่างเนี้ยมาให้ผลนะแต่ถ้าไม่ครบกรรมบทเขาให้ผลไหมเขาก็ให้ผลในยะนี้นแหละโยมนะในยะนี้เหมือนกันเลยนะแต่ถึงจะไม่ครบกรรมบทนะถึงจะไม่ครบกรรมบทก็ใช้ผลในยะนี้ซึ่งเดี๋ยวพอเราคุยไปถึงเรื่องมโนทุจริตที่ครบกรรมบทเราจะเห็นภาพของบาป ที่เกิดขึ้นแล้วนาผลไปสู่อาบายโดยไม่มีการฆ่าใครจริงๆไม่มีป้นไข่จริงๆไม่มีทําอะไรจริงๆแค่คิดในใจก็สําเร็จพาเราไปสู่อาบายเออปแปลกไหมโยมตอนแรกเราก็นึกว่าต้องทุ่มส5เท่านั้นนะคือไปฆ่าสัตว์จริงๆเท่านั้นไปรักทรัพย์จริงๆเท่านั้นไปประพฤติผิดลูกเมียคนอื่นไปพูดโกหกพูดคำหยาเพื่อเจอาะเสียดเท่านั้นแต่จะมีอกุศลนี่กลุ่มหนึ่งที่เดี๋ยวเราจะพูดไปถึงก็คือมโนทุจริตนะนะทั้ง3ามอย่าง ไม่ต้องทําอะไรเลยโยโมคิดเฉยๆนอนคิดอยู่ที่บ้านก็ตกนรกได้นอนคิดอยู่ที่บ้านดีๆก็ตายไปเป็นเปรตได้นอนคิดอยู่ที่บ้า น, นดีๆ ก, ก็ไปเป็นอบายาสัตว์คือกลุ่มสัตว์เดรัจฉ า, านได้ดีไหมโยโมไม่ดีนะ <c oughs> ออกนึกว่าดี <c oughs> นะนอนอยู่เฉยๆนะก็ได้ไปอย่างนั้นเหมือนกันแปลว่าแปลว่าบาปจริงๆมันไปอยู่ที่ความคิดนึกนะ ความคิดนึกนั่นเองในนั้นความคิดนึกของเราที่เกิดขึ้นไม่ครบกรรม บ, บทเนี่ยมันก็เป็นบาปใช่ไหมโยมมันมาให้ผลในในประวัติการคือช่วงที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยนะถ้าให้ตั้งแต่เราอยู่ในท้องแม่อยู่ในท้องแม่เลยเอาอยุวะของเราก็จะแปลกประหลาดตั้งแต่ออกจากท้องแม่มาเหมือนกันแต่เขาไม่ได้ให้ตอนขณะเกิดจริงๆนะเช่นอาจจะให้ผลตอนมีอายุอาทิตย์หนึ่งไปแล้วสองอาทิตย์สาอาทิตย์หรือสามเดือนไปแล้วอย่างนี้เป็นต้นอาอยุวะน้อยใหญ่ ก็จะไม่สม บ, บูรณ์ตอนนี้ก็สังเกตจากเรื่องกรรมที่เราทํานั่นเองนะก็คือตอนที่เรากระทากรรมกระทากรรมเช่นเบียดเบียนด้วยนะเบียดเบียนด้วยซึ่งการที่จะฆ่าสัตว์ตัวเรานั้นก็ต้องมีการทําอวัยวะของสัตว์อื่นให้ให้แตกทําลายหรือว่าบิดเบี้ยวสูญเสียเสียหายไปนะนี่คือกรรมผลของกรรมผลของกรรมเมื่อมาให้ผลในมรณปัจจุบัน นะอดีตกรรมเมื่อให้ผลในปัจจุบันก็ปัจจุบันเอาผลนั่นเองเนาะก็ <_ S 1> จะผลทําให้อวัยวะนั้นๆของเราก็จะเป็นอย่างนั้นมีอีกเรื่องหนึ่งนะซึ่งอจะมาได้ยินมาในในในที่เป็นจริงในปัจจุบันที่เจอเคยเกิดเคยเจอก็คือมีโยมคนหนึ่งแกเป็นคนเขาเรียกอะไรนะก็เรียกว่าคนทําอาหารดีกว่าดูฟังเพราะๆหน่อยคนทําอาหาร เป็นพ่อครัวใช่ไหมเออเป็นเชฟละกันดูเพาะดีะเนาะต้องคอยคอยทําอะไรโยมเขาคอยทําปูทําอาหารคือปูเมื่อแปลกโยมคนที่จะทําอาหารชนิดเนี้ยเขาจะไม่เอาปูตายๆมาทําโยมเขาต้องเอาปูเป็นๆ เ, เขาก็จะทิ่มทิ่มปูนะตรงไปตรงพริกกระเขาเรียกเลยนะพริกท้องก็ขึ้นมาแล้วก็จิ้มเข้าไปตรงตรงอะไรนะตรงท้องเขา เขามีอาชีพนี้นั่นเองนะ ก, ก็อีกอาชีพหนึ่งก็คือนักฆ่านั่นเองนะถ้าพูดอีกทีคือพ่อครัวนี่ก็คือนักฆ่าดีๆใช่ไหมยโยนั่นเองก็คนคนนี้ตอนก่อนจะตายนะก่อนจะตายอันนี้จริ ง, รงๆมาไม่ได้เห็นนะพูดผิดเดี๋ยวกลายเป็นโกหกเขาเล่าให้ฟังลูกหลานก็เล่าให้ฟังว่าพ่อของเขาเนี่ยถูกผ่าสองข้างตรงที่ท้องซึ่งตอนตายไปแล้วลูกจึงไปเห็นว่าพ่อเขาถูกผ่า ถูกผ่าซึ่งหมอเขาไม่ได้บอกว่าผ่าเพราะอะไรด้วยอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็เสียชีวิตไปซึ่งซึ่งอย่างนี้เป็นต้นนะนโนยมก็จะเห็นอันนี้ธรรมาก็รู้สึกว่าเออมันเห็นชัดนะว่ากรรมที่เขาทํานะในชีวิตตอนที่เป็นอยู่เนี่ยเขาต้องต้องคอยฆ่าสิ่งมีชีวิตแล้วก็ท่าแถวนั้นอนะ่ะแล้วก็ลายมีก็จะเอียงเอียงอย่างนั้นเหมือนกันพอเขาก่อนเขาจะตายเขาก็ถูกผ่าตรงนั้นเหมือนกันที่ท้องสองข้างแล้วก็รอยของการผ่าก็ยงังเอียงแบบนั้นเหมือนกัน คนที่เล่าเขาก็เล่าด้วยความรู้สึกว่าน่ากลัวจริงๆนะการการทากรรมที่ไม่ดีที่เป็นต้นนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของว่ามีอวัยวะน้อยใหญ่ไม่สมบูรณ์นะนะอันนี้ก็น่าจะพอพอเห็นภาพชัดนะโยมนะว่าสร้างเหตุอย่างไรก็ให้เกิดผลอย่างนั้นได้นะแล้วก็ไม่ใช่ให้ผลแต่ตรงนี้ก็จะเล่า ว, ว่าไม่ใช่ผลในในในชาติหน้าเท่านั้นนะเพราะชวนะดวงที่หนึ่งให้ผลใ น, ใ ห, ล ใ, นให้ผลในชาตินี้ ได้ด้วยเนาะให้ผลในชาตินี้ได้ด้วยครับอาจารย์ครับ เ, ออเดี๋ยวตรงนี้ขอขอให้ดูในก็ออในในลักษณะสูตรเทียบเคียงตรงนี้นิดหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสเอ า, าวไว้ที่มีลักษณะส้นเพระบาทยาวมีพระวรก า, ายตั้งตรงและนิ้วพระหัตต์ยาวแล้วก็อ่อนนุ่ม ในข้อนี้พุทธเจ้าบอกพลิกษู่ทั้งหลายตถาคตเคยเป็นมนุษย์ในชาติก่อนในภพก่อนในกำเนิดก่อนพระองค์เคยละพันละนานติบาศเว้นขาดจากปนานติบาศวางอัจฉริยะวางศัตตรามีความละอายมีความการุณาหวังประโยชน์แก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงอยู่ตถาคตย่อมเข้าสู่สุคติโลกสวรรค์เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเพราะกรรมนั้นอันตนทําสั่งสม พ, พ่อปูนทําให้บริบูรณ์ ตถาคตย่อมได้ครอบงามนุษย์เทวดาในโลกด้วยฐานาสิอายุทิพวรรณนทิพความสุขยศทิพสุความเป็นอธิบดีทิพสรูปทิพเสียงทิพกลิ่นทิพรสทิพโคทภะที่เป็นทิพขั้นจุติจากโลกสวรรค์มาสู่ความเป็นอย่างนี้คือเป็นมนุษย์เนี่ยย่อมได้มหาปุริสละขนาด32ประการคือหนึ่งส้นพระบาทยาวสองก็มีองค์ พระ อ, องคุลีก็ยาวสามพระวรกายก็ตั้งตรงเหมือนกายของพรงพมพระมหาบุรุษถึงพร้อมในลักษณะเหล่านี้หากคองเรือนจะเป็นจกักรพรรดิรีาชถ้าออกบวชเบดเป็นบนรรพชิตจะเป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้ามีหลังคาคือกิเลสในโลกเปิดแล้วแล้วก็จะมีพระชนมายุยืนยาวไม่มีข้าศึกศัตรูตรงนี้ก็คือว่านิ้วนิ้วมือเนี่ยนะนิ้วพระหัตถ์ แล้วก็นิ้วเพรบาดยาวแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าเราดูก็คือว่าลักษณะก็คือว่าถ้าเปรียบเทียบในชั้นคําสอนบอกชนทั้งหลายจงรู้ว่าตรงเนี้ยนะผู้ละผู้จะทําปานอาทิบาตเนี่ยตรงนี้ท่านกล่าวไว้ในชั้นของคําสอนบอกว่า คนที่จะไปฆ่าเขาต้องย่องไปฆ่าเขาเพราะกลัวเขาจะได้ยินเสียงเท้าต้องเดินด้วยการย่องหรือการกดน้ำหนักไปข้างหน้าที่ปลายเท้าหรือกระยองเท้าจะทำให้พวกเขาเป็นผู้มีเท้าเฉ๋เข้ามาข้างในบ้างแล้วก็เท้าเฉ๋ออกมาข้างนอกบ้างปลายเท้าก็จะด้วนบ้างส้นเท้าเท้าก็จะด้วนบ้างนัน ตรงนี้ก็คือไม่ให้สังเกตเขาบอกว่านีกรรมที่ทำจากการย่องไปฆ่าเขามันเป็นอกุศสลกรรมตั้งแต่นั้นแล้วบางคนก็เท้าก็เฉีเข้าบางคนเท้าก็เฉีออกบางคนก็เท้าก็โยงนะและตรงกลางเท้าก็เว้าไม่ทราบว่าใครเป็นอย่างนี้บ้างก็แอบดูเท้าตรงนี้นะทีนี้ ส้นเท้ากับปลายเท้าบางคนก็สั้นใช่ไหมส้นเท้าสั้นถ้าพระบ ร, บรมศาสดานี่มีส้นพระบาทเนี่ยยาวส้นพระบาทจะยาวออกเหตุผลที่ส้นเท้าสั้นเพราะอะไรเพราะเคยไปตัดทํากรรมเกี่ยวกับการไปตัดไปฆ่าไปตัดอวัยวะเขา ก็กลายเป็นโคน้ถ้าจะมาเกิดเป็นมนุษย์ก็กลายเป็นมนุษย์ที่มีลักษณะที่ไม่งามเพะเอิญพวกเราส้นส้นเท้าเศ้าสั้นเหมือนกัน <c oughs> ก็เลยดูว่างามไปแล้วทั้งๆ ท, ที่เป็นความไม่งามนะพวกเราเนี่ยเพราะกรรมเกี่ยวกับปณรฏิบาตเนี่ยรักหน่อส้นเท้าที่สันสน้นๆกันทั้งหลายเนี่ยฉะนั้นเวลามามองตอนเองแล้วก็มองญาติโยมทั้งหลายมันก็กลัวแสวดงว่าคนเคย ทำกรรมที่ไม่ค่อยดีมาจึงไม่ยอมมาวัดอีกอย่างหนึ่งชนทั้งหลายผู้จะไปทำาทำปานาติบาตจะไปฆ่าเขาต้องถืออาวุธไหมถือไมค้อนหรือก ร, รมหมัดเพื่อจะไปฆ่าเขาเวลาจะลงมือฆ่าเขาก็จะต้องกรรมอาวุธไว้ให้แน่นข้อนิ้วก็จะปูดออกมาข้อนิ้วก็จะขยายใหญ่ ชนทั้งหลายเกิดมาแล้วจะกลายเป็นบุคคลที่มีนิ้วมือสั้นแล้วลองดูนิ้วมือเราที่เป็นอย่างนั้นไหมนั่นแหละเขาเรียกสั้น <c oughs> นิ้วสั้นไม่เสมอกันไงนั่นแหละนี่ลักษณะ่างการไปทำกรรมเหล่านี้มาไมพ่อพูดอย่างนี้บางทีเราต้องไปผ่ามือเลยจมานิ้วมันล็อกจะมา เนี่ยผลจากการกรรมอาวุธไปฆ่าเขาไปนิ้วก็ไม่มีแรงเป็นต้นบุคคลที่มีร่างกายสูงเวลาจะไปฆ่าคนอื่นต้องย่องไปไหมย่องไปก้มไปเจตนากรรมในการที่เริ่มกระทาไปนั่นแหละเมื่อกรรมเหล่านั้นให้ผลทั้งๆ ท, ท, ที่ตอนนั้นยังไม่ถึงยังไม่ได้ไปฆ่าจริงๆนะตอนนั้นน่ะ แค่เริ่มก้มไปจิตที่คิดชั่วไปแล้วในขณะนั้นอกุศุลกรรมประเภทนั้นเวลาให้ผลมาแล้วก็จะมีสลีระที่โค้งงอบ้างสลีระที่ค่อมบ้างเกิดเป็นคนเตี้ยบ้างไม่สูงบ้างเพราะกลัวคนอื่นจะเห็นเนี่ยทําให้พวกชนเหล่านั้นเกิดมาก็ตัวค่อมเป็นคนตัวแค่พิการมีโรคเป็นต้นอย่างเนี้นะ เพราะพุทธเจ้านั้นน่ะไม่ได้ทำอาการอย่างนี้กับบุคคลอื่นพระพุทธเจ้าไม่ได้ทำอย่างนี้เลยฉะนั้นพระพุทธองค์จึงพ้นจากฐานะเหล่านี้พระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้ฆ่าผู้อื่นด้วยการสามอย่างนี้ได้ดังกล่าวนั้นพระองค์วางสัตวาวางอาวุธไม่ทําปานธิบาทการฆ่าให้ตายเป็นภัยใหญ่แก่ตนพระองค์จึงคิดแต่จะทาประโยชน์ให้กับผู้อื่นแล้วก็ถึงเขาจะเปะทิทสราย ทุตีก็ไม่โกรธตอบนี่นะอา น, นิสง์ก็คือทําให้พระองค์มีพระชนมายุยืนยาวไม่มีข้าศึกศัตรูที่สามารถจะปองพระชนมายุของพระผู้อูมีพภาคเจ้าได้เป็นต้นอันนี้คืออา น, นิสง์ที่เกี่ยวกับการที่ว่าทั้งๆ ท, ท, ท, ที่ไม่คบกรรมบทมันก็ให้ผลนะเมื่อสักครู่ได้ถามท่านอาจารย์นั่นไปเกี่ยวในเรื่องของหนึ่ง ว่ามาตามลำดับที่บอกผลของปฏิบาติเนี่ยถ้าให้ผลรูปร่างไม่งามใช่ไหมแล้วก็ร่างกายทุพลภาพกําลังกายก็อ่อนแองั้นสัตว์ที่ถูกทําร้ายใกล้ตายก็ไม่มีแรงกรรมเหล่านั้นก็ส่งผลทำให้เป็นคนอ่อนแอกําลังกายเฉยชาปัญญาก็ไม่ว่องไวเพราะคนถูกทุบถูกตี ปัญญาเป็นยังไงปัญญาก็ไม่ว่องไวอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นคนขาดระ้วหวาดกลัวได้ง่ายเพราะทํากรรมประเภทที่ไปฆ่าเขามาเยอะเนี่ยก็กลายเป็นคนหวาดกลัวง่ายมันมีอยู่ข้อหนึ่งนะเดี๋ยวจะถามท่านอาจารย์ให้ขยายสองข้อคือในข้อของปณินิบาดเนี่ยฆ่าตัวตายหรือถูกฆ่ากับพินาฏเพราะบริวารเนี่ยเลย อันนี้อันนี้กรรมในประวัติการให้บลในวัติการนี่ขอขอนุโมนาครัอโอกาสท่านครับก็คือจริงๆแล้วอาวุธการฆ่าสัตว์เนี่ยมีอานิสงส์เยอะนะโยมนะการฆ่าสัตว์มีกําไรมากเลยโยมอย่างที่มี่กี้อาจารย์ท่านว่าไปแล้วก็มี่กี้าอาจารย์สมทบท่านอ๋ อ, อไม่อยากได้นะโยมนะ ปกติชาวโลกชอบของกาไรเยอะๆใช่ไหมโยให้เยอะมากเลยเนาะ20ถ้าในชีนี่22ข้อเนาะกําไรของการฆ่าเป็นต้นนะเขาเลบอกว่าทั้งหมดเป็นต้นจริงๆก็คือเป็นร้อยก็ได้โยถ้าคิดได้จริงๆเขาให้หลายอย่างเนาะแต่เมื่อกี้ที่อาจารย์สมทบท่านท่านท่านยกมาว่าทําให้คนที่ฆ่าสัตว์เนี่ยจะทําให้ตนเองเนี่ยสามารถฆ่าตัวตายก็ได้เออเพราะอะไรเอ่ยเพราะว่าปกติ สัตว์โลกน่ะรักตัวเองใช่ไหมรักตัวเองแต่พอเราขยันฆ่าสัตว์เราอื่นใจมันน้อมที่จะฆ่านะฆ่าฆ่าสัตว์อื่นฆ่าไปเรื่อยๆเรื่อยๆเข้ามันก็ใจก็จะฮึกเขมในการฆ่านะพอฆ่ามากๆเขาก็จะเริ่มไปฆ่าสิ่งที่มีค่าขึ้นไปเรื่อยๆจนสุดท้ายสิ่งที่มีค่าที่สุดก็คือจริงๆการฆ่าเนี่ยเป็นโทสะจิตก็คือจิตที่คิดจะประชดสลายคิดจะทําลายนั่นเองสิ่งใดเราที่ ทำลายแล้วได้ได้รุนแรงที่สุดนะนะก็คือชีวิตตัวเองนั่นเองเพราะเป็นสิ่งที่รักที่สุดใช่ไหมในเมตตาภาวนาก็าจะบอกว่าสัตว์ที่จะรักผู้อื่นมากกว่าตนนไม่มีใช่ไหมตนแลเป็นที่รักของตนยิ่งกว่าสัตว์เราอื่นเมื่อคนที่ฆ่าสัตว์เป็นประจําเป็นประจำประจำนั้นนะนะก็ก็จะน้อมจิตไปจนสุดท้ายถ้าแก้ปัญหาอะไรไม่ได้ทำไงยโย่ก็ทําลายสิ่งที่รักที่สุดก็คือชีวิตตัวเองได้โดยโดย กรรมประเภทนี้เขาจะน้อมให้เราไปก็คือทำให้ความคิดมันวิบัตนะสังเกตนะว่ากรรมพวกนี้มันใช่ผลในไม่ใช่รูปมรทำอย่างเดียวมันให้ผลถึงนามมาทำได้ด้วยทำให้ความคิดจิตใจของเราวิบัตนะก็คือให้ผลให้ใจคิดนึกเรื่องราว ท, ที่ที่ทำให้ถึงฆ่าตัวตายได้ทำลายสิ่งที่เรียกว่าเรารักที่สุดนั่นเองนะก็คือชีวิตนั่นเองนะั้นไะด้อีกข้อหนึ่งเลยนะ อ, อันหนึ่งที่อาจารย์ถามก็คือว่า ฆ่าให้ขยายกัาว่าฆ่าตัวเองก็ได้ใช่ไหมครับอ๋อแล้วก็ให้กรรมนี้ฆ่าตัวเองก็ได้ใช่ไหมโยมแต่ถ้าแต่ถ้ายังจังหวะนั้นจังหวะนั้นเหมาะแก่ไม่เหมาะที่จะฆ่าตัวเองเป็นไงโยมเมื่อชีวิตควรจะหมดไปนะก็จะเกิดภัยใช่ไหมทำให้เราเสียชีวิตเช่นคนอื่นฆ่านะคนอื่นก็นะฆ่าเราได้ถ้าไม่มีผู้คนเลยโยม กรรมชนิดนี้เวลาแม้จะไม่มีผู้คนก็จะเห็นได้อย่างเหมือนอะไรเหมือนประเทศใกล้ๆประเทศเราที่มีการดูแลเรื่องสึนามิอะไรเหล่านี้นะหรือแผ่นดินไหวอย่างดีที่สุดใช่ไหมแต่เมื่อเวลากรรมเหล่านี้จะให้ผลป้องกันดีขนาดไหนพ้นไม่พ้นโยมไม่พ้นเนาะแล้วก็จะเห็นชัดว่าว่าการตายเกิดขึ้นไหมเกิดขึ้นนะอันนี้ก็จะเป็นการตายนี่เป็นผลของตายก่อนวัยไม่เป็นผลของอะไรเอ่ยปาณาติบาสนั่นเองนะปาณาติบาส ก็ตามมาให้ผลก็จะตัดลอนชีวิตจะสังเกต น, นะแม้แม้จะมีการป้องกันดีแค่ไหนนะมีกำแพงกัน้นะเหมือนท่านเหมือนในไม่ธรรมบทเขาบอกว่าแม้จะไปหลบอยู่ที่หน้าผาหรือใต้ทะเลลึกยังไงถ้าบาปนั้นทําไปแล้วนะหนีไม่พ้นใช่ไหมโยมหนีไม่พ้นเลยป้องกันยังไงจะหนีไปขึ้นอยู่บนท้องฟ้าก็หนีไม่ได้ดนะังนั้นเป็นต้นนะก็ก็ไม่สามารถที่จะ เลี่ยงกรรมชนิดนี้ได้เลยนะก็นี่เป็นผลของมนาปณิบาตเวลาเขาเขาเหมาะเจาะที่เขาจะให้ผลนะนะเขาก็สามารถที่จะทำให้คนอื่นมาฆ่าเราถ้ามีคนอยู่ใกล้เราเนาะถ้าไม่มีก็อาจจะให้สิ่งแวดล้อมนั่นแหละเป็นคนจัดการเราหรือสุดท้ายก็น้อมไปทำให้เราฆ่าตัวเองได้นะสพวพูดถึงตรงนี้นะว่าว่าทำให้สิ่งแวดล้อมฆ่าเราก็ได้ใช่หก็นึกถึงเจ้าแพะตัวหนึ่งอะนะที่เขาเคยเป็นพามแล้วก็บูชา ยันก็คือเขาเรียกอะไรนะฆ่าแพะเพื่อบูชายันแกเทวดาใช่ไหมเมื่อกรำนั้นให้ผลเขาก็เลยไปเกิดเป็นแพะแล้วเขาก็ถูกฆ่าปาดคอทุกชาติจนฆ่าสุดท้ายที่เขาทุกคนเรื่องนี้คงเคยได้ยินเนาะที่เจ้าแพะตัวนี้ก็หัวเราะแล้วก็ร้องไห้นะหรือว่าร้องไห้แล้วก็หัวเราะนั่นเองกันนะแล้วก็เลยคุยแพะก็เลยคุยกับมนุษย์แล้วก็เลยก็เลยเป็นเหตุให้ให้พรามณที่จะฆ่าแพะเพื่อบูชายันนะ่หยุดฆ่า ก็เลยจะป้องการรักษาดูซิว่ามันจะเป็นจริงไหมว่าว่าการทําอย่างนี้มันจะเป็นผลอย่างนี้จริงไหมสุดท้ายฉเพะตัวนั้นตายจริงไม่ตายจริงโยมตายก็ได้อาศัยอะไรอาศัยฟ้าผ่าไปกระผ่าใส่หินนาหินก็แตกกระเด็นมาปาดคอตายเหมือนเดิมนี่เป็นต้นใช่ไหมโยมนะการตายจริงๆแล้วกันมันก็คือตายอยู่ดีนะจะถูกสิ่งแวดล้อมคือธรรมชาติเบียดเบียนจนตายหรือถูกผู้อื่นฆ่าตาย หรือสุดท้ายแม้แต่ฆ่าตัวเองตายมันก็คือเรื่องของความตายแต่ไหนหน่ากลัวที่สุดโยมฆ่าตัวเองหรือโยมว่าไงนะถูกตัดคอใช่ไหมแปลว่าและแต่คนเนาะบางคนก็อาจจะชอบชอบให้คนอื่นฆ่าบางคนก็ชอบแบบตัวเองเนี่ยนะหรือบางคนก็ชอบภัยธรรมชาติเรียกเอานะถ้าเราถ้าเราเคยทํากรรมแล้วขนาดทากรรมก็ลองพิจารณาว่าเช่นฉิตยากัญยุงอย่นนะโยมนะ แล้วก็ลองนึกว่าขณะที่ฉีดกรรมนี้ถ้าให้ผลเราจะเป็นยังไงหนอเออลองนึกอย่างนี้ดีไหมเห็นยุงมากัดปุ๊บง้างมือแล้วก็ตบเพี้ยแล้วก็นึกว่าเอาถ้าตบไปแล้วมันให้แน่นอนเนาะต้องเอาบ้องยี้ดีกว่าว่าง้างมือปุ๊บให้คิดว่าถ้าตบลงไปกรรมนี้จะให้ผลเราอย่างไรหนอก็ชีวิตฝั่งตรงข้ามเขาแบนแปดแบนตัดแต่เนี่ยแล้วเราจะแบนแบบนี้ไหมอย่างนี้เป็นต้นนะ หรือตมานึกถึงตัวเองนะเมื่อก่อนตะมาเคยฆ่าเมงสาบโยมตะมาก็จะเท้าเนี่ยเหยียบนะแล้วก็จะแบนแตะ แ, แ, แล้วก็ดังแป๊ะด้วยนะตะมายังนึกอยู่ว่าคําอย่างนี้ตะมาโดนแล้วตะมาจะดังตะมาจะดังแปะอย่างนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะนะลองนึกดูเนาะยิ่งอุปกรณ์นี้มีอุปกรณ์แปลกๆเยอะเนาะไอเครื่องดังแปะแปะเนี่ยเยอะนะเออโยมลองนึกดูนะว่าโยมโยมอยากดังแปะแปะนั้นบ้างไหมถ้าไม่อยากก็ก็ไม่ยากเนาะ เพราะเรารู้หรเหตุรู้ผลใช่ไหมเราไม่ได้บอกว่ากรรมที่เราที่ที่ทำนั่นอนะ่ะจะให้ผลแล้วแบบที่เราไม่รู้เรื่องแต่เราบอกว่าเหตุเป็นอย่างนี้ผลจะเป็นอย่างนี้แล้วเราเลือกเองได้ไหมได้คําสอนของศาสนาเราให้เลือกจัดสรรชีวิตตัวเองนะให้เลือกจัดสรรชีวิตตัวเองนะแล้วถ้าเลือกจัดสรรชีวิตตัวเองด้วยระบบกรรมและบทของกรรมได้เราไม่เครียดสังเกต น, นะโยมนะ จะมาเห็นว่าโยมในทนี่น่าจะมีหลายคนเครียดด้วยการต้องไปจัดสรรชีวิตคนอื่นใช่หไหมโยมดังนั้นดังนั้นเรารู้เหตุแล้วนะรู้เหตรุรู้ผลว่าอดีตต่เหตุส่งให้เกิดปัจจุบันผลเมื่อปัจจุบันผลเกิดขึ้นก็สร้างกรรมใหม่ที่เรียกว่าปัจจุบันนาเหตุก็จะให้อนาคตผลนะจัดแจงชีวิตเราก่อนว่าอ๋อเราเห็นอดีตต่เหตุนะที่ทําให้ผลอะไรอะไรที่มันเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันนะเห็นผลแล้วสาวหา เหตุเมื่อรู้จักผลปุ๊บจะสร้างเหตุอะไรดีหนอะในปัจจุบันเพื่อจะให้ผลในอนาคตเราเลือกได้อย่างนี้ไม่เครียดแต่ถ้าจะบอกว่าให้ในายกในขอในคอให้เจ้าผู้ชายคนนั้นหรือเจ้านายคนนั้นหรือลูกลูกน้องคนนั้นทําตามใจเราโดยไม่เอาเหตุไม่เอาผลคือไม่เข้าใจเรื่องกรรมและผลของกรรมเลยเราเดือดร้อนแน่เช่นมีมีปกติสมมุติเรามีปกตินะ มีปกติมีผิดเกี่ยวกับเรื่องการพูดปกติทุจริตเนาะก็จะมีผลทาให้พูดอะไรใครก็ไม่เชื่อถือใช่หแต่เราเป็นคนชอบอยากจะไปบอกเล่าให้คนอื่นฟังและอยากให้เขาเชื่อเราเป็นไงโยมเดือดร้อนสิใช่ไหมเรามีปกติชอบกล่าวด่าว่าคนอื่นเงี้ยนี่เขาเรียกว่าพุลสว่าใช่ไหมกรรมเหล่านี้เวลาให้ผลในปัจจุบันชาติก็ขาดความเชื่อถืออย่างนี้เป็นต้นด้วยใช่ไหมกลุ่ม กลุ่มวจีทุทเจตลิตสี่เนี่ยจะมีผลอันนึงที่เหมือนกันคือขาดความเชื่อถือนะจะมีผลอันนึงเหมือนกันเลยคือขาดความเชื่อถือแต่เราชอบให้คนเชื่อถือไหมโยมอชอบเนาะจะ แ, แปลกจังเลยเราไม่ยอมสร้างเหตุให้คนเชื่อถือแต่เรากลับสร้างเหตุให้คนไม่เชื่อถือแต่เราไปร้องเรียกให้คนเชื่อถืออันนี้ไม่ลําบากนะอันนี้ไม่ลําบากคืออะไรวันนี้เรารู้แล้วไงถ้าเราอยากให้ใครเชื่อถือเราทําไง เราสร้างเหตุใหม่แต่มันได้ไปมองมาที่เขาแล้วมองมาที่ตัวเรานะปัญหาอะไรให้มองกลับมาที่ตัวเราว่าเราจะแก้กรรมของเราอย่างไรแก้กรรมไม่ได้ไปสะดกเคาะนะฟังให้ดีนะหมายถึงแก้การกระทําของเราใหม่นั่นเองนะแก้การกระทําของเราใหม่ตรงนี้ก็พูดเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์นะโยมนะที่ครบกรรมบท น, นั่นเองแล้วก็อาจารย์สมทบ ก, ก็พูดเรื่องเรื่องฝ่ายตรงข้ามกันใช่ไหม เรื่องฝ่ายตรงข้ามกันก็คือการไม่ฆ่านะไม่ฆ่าสูงสุดก็พระโพธิสัตว์ท่านสร้างเหตุในการไม่ฆ่าใช่ไหมโยมไม่ฆ่าไม่พอนะไม่คิดเบียดเบียนไม่คิดประทุษร้ายไม่ใช่ไม่ฆ่าด้วยนะแม้จิตที่คิดจะประทุสษร้ายก็ไม่มีจิตคิดจะไปทําให้เขาเจ็บปวดเจ็บช้ําก็ไม่มีกรรมนั้นให้ผลดีไม่ดีโยมดีนั่นเองซึ่งซึ่งที่เราได้ฟังไปแล้วนั่นเองนะยังมีซึ่งอันดับส่งของการไม่ฆ่าเนี่ยยังมีอีกมากมายนั่นเองนะ แต่เดี๋ยวท่านอาจารย์ก็จะขยายต่อเนาะดีไหมเอ่ยดีนะ อ, ะอะธิษฐานอาจารย์ครับตรงนี้เกี่ยวในเรื่องปาฏิบัติเหลืออยู่ข้องเนะีเกี่ยวเรื่องของพินาศพินาศบริวารเนี่ยมีบริวารก็พินาศที่เมื่อสักครู่เนี่ยพระนั่นยังท่ออานอาจารย์กันนยังไม่ได้ขยาย เกี่ยวกันในเรื่องของปณฏิบาตินะท่านบอกว่าอีกข้อหนึ่งก็คือพินาฏมีบริวารก็บริวารพินาฏเนี่ยขอที่มนข้อนขอ้อการคออาจารครับก็เออแปลกไหมโยมทําไมฆ่าสัตว์แล้วทําให้เรามีเราเสื่อมจากบริวารเออน่าคิดเนาะอ๋อฆ่าแม่มดตัวหนึ่งก็ทําให้ ลูกหลานเขาลูกหลานเลยงลของเขาขาดบริวารไปนะหากพวกขาดพ้อง น, ะนั่นเองบริวารว่ราพวกพ้องนะก็เลยอย่างนี้ก็เลยไม่แปลกใช่มโยมว่าการที่การที่เราฆ่าสัตว์นะบริวารของเราก็ต้องเมื่อกำรรนั้นมาให้ผลในที่นั้นๆที่เราไปเกิดแล้วนั่นเองนะก็เราจะทำให้บริวารของเราไม่มีบริวารหรือบริวารแตกแยกนี่ก็เป็นกรรมชนิดหนึ่งนะที่เป็นไปเกี่ยวกับอกุศลเกี่ยวกับ อาราธิบาติด้วยนะเพราะว่าขณะที่เราฆ่าใครเขาไปนะก็ทำให้เขาพวกพ้องของเขาหมดไปนะบริวารพวกพ้องของเขาพินาศไปฆ่าหนึ่งก็หมดหนึ่งใช่ไหมฆ่าสอนก็หมด2 อ, อย่างนี้เป็นต้นเนะ้นั้นเช่นเดียวกันกรรมกรรมเหล่านั้นเมื่อมาส่งผลก็จะส่งผลให้เรานะพินาศจากจากบริวาร น, นะบางคนก็รู้สึกว่าบริวาร น, นี่หมายถึง หมายถึงลูกน้องนะ่ะนตบางทีบริวารก็หมายถึงว่าญาติพี่น้องนะพ่อแม่พี่น้องของเรานั่นเองนะซึ่งตรงนี้ก็ไม่มีใครอยากอยากที่จะอยู่โดดเดี่ยวนะนเนาะบางทีก็จะสังเกตนะโยมนะอาจจะคำว่าพี่นาศจากจากบริวารเนี่ยอาจเขเขาอาจจะยังไม่ถึงกระต่ายนะเช่นเคยมีใครในที่นี้ไหมมีปกติต้องอยู่ห่างอยู่แยกจากญาติพี่น้องอยู่ห่างอยู่แยกจากลูก หรือ จ, จากพ่อแม่หรือว่าโตต้องจากเด็กเลยถูกส่งเรียนโรงเรียนประจําตลอดเลย mm hmm. นะอย่างนี้เป็นต้นเมืองไทยก็มีให้เรียนนะแต่ต้องไปอยู่ต้องไปอยู่เมืองนอกอย่างนี้เป็นต้นนะนะหรือหรืออะไรนะอยู่เรียนในเมืองไทยนั่นแหละแต่ก็ต้องไปอยู่หอพักอะไรเงี้ยต้องอยู่แยกจากจากบุคคลที่เป็นที่รักตลอดเลยอย่างนี้เป็นต้นก็จะเห็นชัดนะกรรมพวกเนี้ยกรรมพวกนี้มันมันจะทําทําให้เราต้องออกจาก กลุ่มพวกพ้องที่เป็นที่รักใครที่เป็นที่รักก็ต้องอยู่แยกแๆกันนะอย่างนี้เป็นต้นก็จะสังเกตได้ว่าอย่างนี้กเ็เรียกถือว่าเป็นกลุ่มหนึ่งของการที่บริวารพินาฏนั่นเองนะบางทีเราคิดว่าบริวารพินาฏเนี่ยอ๋อหมายถึงว่าว่าถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ล้างเช่นคนในตระกูลลดความตายทั้งหมดอย่างนี้นะเออบางทีเราก็นึกถึงแรงเลยใช่ไหมโ ย, ยมแต่บางทีเกิดจากการพัดภาคอย่างนี้ก็ถือก็เกี่ยวข้องนะโยมนะเป็นการพัดภาคจาก ญาติพี่น้องพัดพาดจากจากคนที่เป็นที่รักทั้งหลายนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของของเศษส่วนหนึ่งที่เป็นของเศษกรรมของการฆ่านั่นเองนะนัะ่นก็น่าจะเท่านี้น่าจะขยายชัดอยู่แล้วนิยมเนา ะ, ะในนี้เมื่อกี้พูดถึงในเรื่องการเสื่อมถอยจากบริวารหรือบริวารพี่นาฏเนี่ยไปดูใน ในชั้นของพุทธโพสที่พระพุทธเจ้าตรัสกัาไว้บอกว่าภิกษุทั้งหลายตถาคตเคยเป็นมนุษย์ในชาติก่อนในพบก่อนในกำเนิดก่อนได้นำความสุขมาให้แกมหาชนเป็นอันมากบรรเทาความหวาดกลัวบรรเทาความสะดุง้งความหวาดเสียวเนี่ยนะจัดการรักษารักษาป้องกันคุ้มครองโดยทำได้ให้ทานพร้อมทั้งของที่เป็นบริวาร ตถาคตเบื้องหน้าแต่ตายพระกายแตกย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์กรรมที่ตนทำแว้สั่งสมพ่อคูณทำให้บริบูรณ์ตถาคตจึงครอบงามเทวดาเดฐานะสิบดังกล่าวมีอายุทิ่เป็นต้นจุติตายจากสวรรค์มาถึงความเป็นอย่างนี้ก็ได้ใต้ฝ่าพระบาททั้งสองมีจักรเกิดมีกรรมข้างและหนึ่งพันมีกรงมีดุมบริบูรณ์ด้วยอาการทั้งปวงจัดวางได้ไวในตาแหน่งที่ถูกต้องด้วยนะ ตำแหน่งในการที่ในฝ่าพระบาทปรากฏมีกงมีดุงดุงมีกรรมเป็นต้นเหล่านี้อย่างนี้ถ้าหากอยู่คลองเรือนจะได้เป็นจกักรพรรดิถ้าเป็นพระราชาจะได้เป็นพระพุทธเจ้าและสิ่งที่จะตามมาก็คือถ้าเป็นพระราชาจะได้รับผลมีบริวารมากมีบริวารมากบริวารในการเป็นพระราชาก็มีสัมมาณพราหมณ์โหราจารเศรษฐีกน บ, บดีอมาต์กุมารชาวนิคมเมทับนายกองเจ้านายชนบท แล้วก็มีบริษัทนี่คืออานิสงส์ถ้าเป็นพระเจ้าก็จะมีภิกษุมากมีภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกานาคเทวดามนุษย์อสูรคนทันเป็นบริษัทเป็นบริวารมากตรงนี้จะเห็นนะว่าบริวารแตกแยกกับบริวารมากเห็นตรงนี้ก็คือว่านำความสุขให้แก่มหาชนนี่เหตุนะเหตุที่ได้ทํานะนำความสุขมาให้แก่มหาชนเป็นอันมาก บรรเทาความหวาดกลัวที่เกิดจากโจรจากขโมยหรือความหวาดสะดุ้งที่เกิดจากสัตว์ร้ายเกิดจากภัยต่างๆแล้วก็ให้ทานพร้อมทั้งของที่เป็นบริวารการมีจิตคิดจะบรรเทาภัยคุ้มครองคนอื่นไม่ให้เกิดความกลัวเนี่ยคอยอารักขาแม้ในขณะอบอกว่าแม้ในสิ่ง ท, ท, ที่ที่น่ากลัวที่สุดท่านก็จะตอนที่ท่านทํากรรมท่านก็จะไปตั้งลงทาน ไว้ในสถานที่ที่น่ากลัวแล้วก็จัดคนคอยอรารักขาคอยดูแลแล้วก็เอาไปส่งให้ถึงที่ที่พระพุทธเจ้าสมัยสร้างพระบารมีมานี่เนเป็นพระบุตรัทต้นทามาเนี่ยที่ป้องกันภัยความขาดกลัวที่เกิดจากโจรเกิดจากสัตว์ร้ายในขณะให้ทานก็ยังให้ของที่เป็นบริวารด้วยเช่นถ้าถวายหรือให้ข้าวยาคูก็จะโปรยข้าตอกดอกไม้ปูอาสนะ ผูกเพดานแล้วก็ถวายข้าวด้วยพร้อมกับ น, น้ําด้วยเป็นต้นถ้าถวายอาสนะก็ถวายสการะพร้อมทั้งของหอมแล้วก็ทูบเป็นต้นถ้าถวายดอกไม้ก็เค้าด้วยของหอมถ้าถวายผ้าก็ถวายเข็มด้วยได้ด้วยเครื่องกรอได้ด้วยที่ย้อมจีวรเป็นต้นด้วยถ้าถวายรองเท้าก็ไม่ใช่ถวายเฉพาะรองเท้า ถวายถุงใส่รองเท้าด้วยเอาไม้แขวนรองเท้าถวายด้วยน้ำมันทารองเท้าด้วยอย่างหรือถ้าถวายเตียงถวายต่างก็ถวายไม้กำจัดเลือดกำจัดก็คือว่าผ้าโกเชาผ้ากำพลผ้าลาดหรือขาเตียงเป็นต้นด้วยการบําเพ็ญบา ร, รมีเนี่ยเป็นพระโพธิสัตว์น่ยไม่เคยปิดประตูบ้านเพื่อให้ผู้คนทั้งหลายเข้ามาหยิบเอาทรัพย์ได้ทุกเมื่อ จึงเป็นผลทำให้พระเจ้าไม่ต้องลุกขึ้นไปเปิดประตูถ้าดูบางสูตรเนี่ยพระเจ้าอย่างยกตัวอย่างเช่นในธรรมเจติยสูตรตอนที่พระเจ้าประสิทธิโกศลเสด็จไปเฝ้าพระเจ้าใช่ไหมพอไปเบดเสษไปถามพระภิกษุที่กำลังจงกรมกันอยู่ถามว่าพระคันกรดีของพระบรมศาสดาอยู่หน้าที่ไหนพระองค์ประทับหน้าที่ไหนพระก็บอกว่าอยู่นังทิศโน้น แล้วขอให้พระ อ, องค์เนี่ยอเดินคือบอกว่าเดินอย่าไปส่งเสียงดังเป็นตั้งเต่เนี้ยนะพอไปเบสเสร็จก็ให้เคาะที่ประตูพระเจ้าเปเสนที่โกศลพอไปเคาะที่ประตูพระบรมศาสดานั่งอยู่ก็ยกผระหัดขึ้นบอกว่าประตูจงเปิดนี่นะะประตูก็เปิดถ้าเราทําอย่างนั้นยังไม่เปิดยังไม่เปิดเพราะเป็นคนปิดประตูบ้าน คำว่าปิดประตูไปเจอบางแห่งท่านขยายว่าบางคนปิดประตูก็จริงแต่เมื่อผู้มีศีลมายืนอยู่หน้าบ้านแล้วก็ให้ทานเป็นนิดอย่างนั้นชื่อว่าไม่ปิดประตูส่วนบางคนเปิดประตูอยู่นี่แหละแต่มีผู้มีศีลมายืนอยู่หน้าบ้านก็ไม่ยอมให้ทั้งๆที่ประตูเปิดก็ชื่อว่าปิดประตูเราเป็นคนเปิดประตูหรือปิดประตู เปิดเจอถ้างั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้อาจารย์มีชัยไปยืนหน้าบ้านดูเอางี้ดีไหมตรงนี้ก็คือว่านี่ไงผลของการให้ของพร้อมทั้งบริวารจึงนี่เหตุก็กลายเป็นผู้มีบริวารมากทีนี้ถ้ามีของอยู่หนึ่งอย่างนะฮยกตัวอย่างเช่นยาเนี่ยมีอยู่ขวดเดียวอย่างเงี้ยเราจะไข้ควรยังไง ให้ให้ทั้งของด้วยแล้วมีบริวารด้วยคิดเป็นไหมเอาไงดียองแก้ว <the> <c oughs> ไม่สมมติชิ้นเดียวอย่างเงี้ ย, ยจะทำยังไงจะบอกว่าเราจะได้ให้ทั้งสิ่งของพร้อมทั้งมีบริวารด้วยเ <c oughs> พราะกรรมอยู่ที่เจตนา <c oughs> ใช่ไหมแล้วก็ความเข้าใจ ในการที่จะปรุงแต่งให้มีบริวารให้มีประทานใช่ไหมถามว่ายานี้จะคิดยังไงให้มีทั้งประทานและมีทั้งบริวารแวดลอ้อมจะได้ชื่อว่าเราให้ของพร้อมทั้งบริวารเพราะเรามีน้อยอ่ะเพราะเราเป็นคนขัดสนทรัพย์สมมุตินะมีทรัพย์น้อยมากเพราะให้ทานในอดีตมานน้อยมาปัจจุบันก็เป็นคนมีทรัพย์น้อย แต่ต่อไปเราจะปรุงแต่งจิตให้เป็นคนมีทรัพย์มากและจะได้เป็นปัจจัยแก่การบาเพ็ญทานศีลภาวนาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเนี่ยเราจะทำยังไงจะทำไงดีอา้าวคิดไม่ออกเดี๋ยวพระคิดให้นิดนึงเดี๋ยวเียวเวลาจะได้ถามข้อต่อไปแก่อาจารย์เขาเนะฮะตรงนี้ยาเนี่ยยามีสีไหม ม, มีสีเนาะ ทำมาทาคอนี่ทําให้ชุ่มมีเสียงได้ดีด้วยนะฮะนึกถึงเสียงก็ได้มีกลิ่นไหมมีรสไหมเนี่ยมีสัมผัสไหมและธรรมารมมีโอชาเปตัวยาน้ํายาที่จะไปทําให้ร่างกายคลายกล้ามเนื้อเป็นต้นได้ไหมเราสมมุติว่าเอาธรรมารมคือตัวโอชาตัววิตามินตัวยาทั้งหลายที่จะไปทําให้ร่างกายนั้นสดชื่นขึ้นนี่แหละเป็นประธาน ก้สีเสียงกลิ่นรสสัมผัสเป็นบริวารไปอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ถวายเนี่ยยานี้เอาทำมารมณ์เป็นประธานเอาสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสนี้เป็นบริวารใช่ไหมบูชาพระรัตนตรยัยนี้เป็นต้นนี่พอจะได้อย่างว่าแต่ถ้ามีของเช่นถวายข้าวยาคูก็โปรยข้าวตอกดอกไม้กูอาสนะก้านเพดานอย่างยกตัวอย่างอย่างวันนี้ใช่ไหมยอย่างยองสุวรรณก็ทําบุญก็ใช่ไหม เนี่ยถวายทานพร้อมได้มีที่อยู่มีอาสนะอะไรต่างต่างเหล่านี้ก็แล้วแต่จะท่านจะเอาโยมก็จะเอาอะไรเป็นประธานอะไรเป็นบริวารอย่างนี้เป็นต้นมันก็มีเยอะเลย อ, อย่างนี้เป็นต้นนี่ให้ของพร้อมด้วยบริวารเป็นต้นด้วยอย่างนี้เขาเรียกว่าสร้างเหตุปัจจัยเพื่อให้เป็นผู้มีบริวารมากบริวบริวารมากแต่อย่าลืมนะไม่ใช่ตัววัตถุเป็นตัวให้ผลใช่ไหมแต่ตัวเหตุคือเจตนา ที่มีฉันทะมีวิริยะมีจิตตาและปัญญาเนี่ยเป็นตัวขับเคลื่อน <c oughs> ว่าจะเป็นระดับต่ําระดับกลางหรือระดับประณีตอันนั้นก็อยู่ที่เราจะสามารถระดมฉันทะวิริยะจิตตาปัญญานั้นน่ยให้มีกําลังมากและน้อยต่างกันออกไปอันนี้เกี่ยวกันในเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของทานใช่ไหมพอดีพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของปนานปฏิบาติมากระทบถึงในเรื่องการบริวารไม่มีหรือพิหน้าดได้บริวาร ก็เลยมาดูตรงกันข้ามว่าท่านป้องกันภัยให้กับบุคคลอื่นไม่ให้เขาถูกฆ่าและในท่สุดจริงๆก็คือเลยเป็นเหตุให้ท่านเป็นผู้ที่มีบริษัทบริวารมากอย่างไรนะอันนี้เชื่อมโยงกันเอาต่อไปหมดประเด็นในข้อของปฏิบาตเนีจะเข้าถึงข้อของอธินาทานและ้วะในด้านข้ออธินนาทานข อ, อนุโมทนท่านอาจารย์มีชัยขยายองค์ของอธินาทาน ก็ขอการอาจารย์นะครับก็เมื่อกี้อาจารย์ท่านก็อธิบายถึงเรื่องปานาธิบาสนะโยมเนาะก็ที่ให้โยมเห็นว่าตัวกรรมนะโยมนะเป็นตัวหลักแล้วก็ผลของกรรมนะแล้วก็ถ้าเราดูมุมมองเรื่องกรรมนะโยมทวนข้ามตรงเมื่อกี้นิด น, นึงเช่นว่าการฆ่าสัตว์ให้ผลอย่างนี้อย่างนี้นะแล้วพอไปดูเรื่องบุญเรื่องกับการที่เป็นผลตรงข้ามกันนั่นเองก็เช่นว่ามี มีบริวารมากใช่ไหมกับมีเสื่อมด้วยบริวารเสื่อมด้วยบริวารก็จะใช้การฆ่าสัตว์หรือว่าปนานอธิบาตนี่แหละเป็นเหตุนะพอมีบริวารมากก็อาจจะแตกเป็นเรื่องว่าการให้ทานด้วยการให้ทานก็ทําให้มีบริวารมากได้นะนี้เป็นต้นหรือว่าการที่มีการฆ่าสัตว์เป็นเหตุผลคืออายุวะไม่สมบูรณ์มีโครคภัยไข้เจ็บมากนี่ใช่ไหมโยมนะกับการเมียวายวะสวยงามหรือว่าสมบูรณ์ ก็จะเป็นบุญแบบหรือกุศลที่เป็นสีนกุศลด้วยซึ่งตรงนี้จะชี้ให้เห็นนะชี้ให้เห็นว่าผลผลเนี่ยผลแบบเดียวกันอาจจะเกิดจากผลของทานก็ได้ผลของสีนก็ได้สังเกตนะโยมนะแต่ตรงนี้ถ้ามีใครสงสัยมีสงสัยไหมโยมว่านั่นเราไม่ต้องรักษาสีนก็ได้นะสิถ้าเราให้ทานอย่างเดียวเราก็นั่นจะได้ไหมได้ไม่ได้โยมเช่นว่า ฉันบอกว่าให้ทานก็ไปสวรรค์ได้ใช่ไหมรักษาศีลก็เให้ทานก็รูปงามได้ให้ทานก็บริวารมากได้ใช่ไหมแปลว่าเราให้แต่ทานได้ไหมนะถ้าอย่างที่มีจฉาจารย์ธรรมทบขยายในลักษณะสูตรเนาะก็ <S <S จะพูดเรื่องทานกับศีลเป็นหลักนะผู้โรหิตัตว์เมื่อผลของลักษณะที่ท่านได้สามสิบสองประการก็ได้มาจากทานกับศีลเป็นส่วนใหญ่นะแต่ตรงนี้ก็จะตอบว่า ก็ทานที่ศีลกําหนดแล้วนั่นแหละถึงจะมีผลนะมีผลมากมีเนื้อส่งมากนะโยมนะแต่ทานกุศลที่ให้แล้วไม่มีศีลกุศลผลมันก็จัดวิปลาสินะผลมันกลาจจะวิปลาสินั่นเองนะเช่นว่าไปให้ผลในอบายภูมิแทนอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะดังนั้นตรงนี้เมื่อกี้เราพยายามมองเพ่งเล็งในเรื่องเหตุกับผลเนาะเหตุกับผลว่าเหตุอย่างนี้ผลเป็นอย่างไรนั่นเองนะทานกุศลให้ผลแบบ เป็นเหตุอย่างนี้แล้วให้ผลอย่างไรศีลกุศลเป็นเหตุอย่างเนี้ยให้ผลอย่างไรตลอดกับการถึงฝ่ายอกุศลนะ <Building. S 1> ว่าว่าการฆ่าสัสตว์ที่เรียกว่าปานาจิบาดเป็นเหตุอย่างนี้ผลอย่างไรจริงจรเมื่อกี้ยังไม่พูดเรื่องถ้าตรงข้ามขธาาด้วยซึ่งซึ่งจริงๆเราพูดเรื่องกรรมบวอยู่เนาะ <S <S แต่ถ้าพูดเรื่องตรงข้ามขธาาก็เรื่องของการไม่ให้คือจะนีนั่นเองนะ <S <S ซ, งซึ่งซึ่งเรื่องพวกนี้อาจารย์สมทบก็เคยคุยไปแล้วเรื่องครั้งก่อนก่อนนั่นเองนะทีนี้ก็มาขึ้นอธินาทาน อธินาทานก็เรารู้อยู่แล้วนะอทินานะอทิณะอธิณังเนี่ยมาจากว่าไม่ให้นะการสิ่งที่ไม่ให้แล้วเรียกว่าอทินอธิณังเนี่ยนะแล้วก็อาธานังมาจากว่าถือเอานะการถือเอาซึ่งสิ่งที่บุคคลอื่นไม่ให้ชื่อว่าทินาทานนั่นเองนะอธินาทานหรือที่เราเรียกว่าการขโมยนั่นเองนะการถือเอานะสิ่งที่บุคคลอื่นไม่ให้อ่ะชื่อว่าธินาทาน อนิทานจะสําเร็จเป็นกรรมมาบทได้ก็ด้วยองค์5นะ อ, องค์ที่1คือประประปริคขีตังอะนะปะปริคหิตังวัตถุนั้นมีเจ้าของหวงแหนนะนะวัตถุนั้นมีเจ้าของหวงแห น, นข้อที่2ปะปริคขีตตสั ญ, ญิตานะรู้ว่ามีเจ้าของหวงแหนนะอันนี้ง่ายนะไม่มีอะไรนะข้อ3ม เทยยะจิตตังมีจิตคิดจะรักขโมยนั่นเองนะข้อที่4ก็อุ ป, ปะกรรมโอหรือว่ายาโมเนี่ยนะแปลว่าความพยายามนะก็มีความคิดแล้วก็พยายามไปที่จะทางกายหรือว่าจะเพื่อให้ได้มาต่อมาข้อสุดท้ายทําให้กรรมนั้นบริบูรณ์นะเจนะฮระนังนะเตนะฮระนังก็คือรักรักมาด้วยความพยายามนั้นนั่นเองนะเมื่อกรรมนี้ครบคร บ, บองค์ประกอบทั้ง5้า ไม่ขาดตกบกพ้อ่ององคใดองค์หนึ่งก็จะบริบูรณ์ด้วยความเป็นกรรมบนะบริบูรณ์ด้วยความเป็นกรรมบดเหมือนต้นไม้ต้นใหญ่นะบำรุงด้วยปุ๋ยและน้ำอย่างดีครบบริบูรณ์ก็จะผีดอกออกผลนะต้นอะไรเขาธรรมดาถ้าเขาพูดเรื่องบาคา็ต้องเป็นต้นอุตรพิษทั้งหลายเนาะก็ใช้ผลเป็นที่ผลดกเลยนะแต่เป็นพิษนั่นเองนะเป็นพิษซึ่ง ซึ่งคนบางคนเป็นไงยโยมก็วิปลิตชอบต้นไม้แบบอย่างนี้ใช่ไหมนะชอบวิต้นไม้แบบนี้ก็จะปลูกต้นไม้เหล่านี้ซึ่งซึ่งแต่ซึ่งคนเหล่านั้นเขาไม่รู้นั่นเองนะว่าต้นเหล่านี้มีโทษจึงปลูกแต่เมื่อเรารู้แล้วนะว่าวันนี้เรามาคุยกันเรื่องเรื่องกรรมบวชนะนะเรื่องกรรมบวด้วยพูดเรื่องฝ่ายบาสด้วยแล้วก็ฝ่ายบุญไปด้วยพร้อมๆกันนั่นเองนะก็จะเห็นชัดว่าอธินาทานการรักเนี่ยก็มีผลเหมือนกับเหมือนกับปณฏิบาตนั่นแหละ นะว่าผลอย่างเผ็ดร้อนที่สุดก็จะผลในปฏิสนธิการเลยให้ผลในปฏิสนธิการก็ให้ผลเป็นก็อบายภูมิทั้ง4นะอธินาทานเนี่ยเราพูดเรื่องนี้ก็จะสังเกตว่าจใจผลในเปรตสีวิสัยเป็นส่วนมากให้ผลในเปรตสีวิสัยเป็นส่วนมากนะโยมนะแต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ผลในนรกกระภูมิหรือนิรยะภูมิหรือตลอดจนความเป็นสัตว์เดรัจฉานใช่ไหมนะไม่ใช่โมจะไม่ให้นะ แต่เขาว่าโดยส่วนมากแล้วก็จะให้เป็นเปรต น, น, นะเพราะเปรตเนี่ยเป็นเป็นไปกับตันหาที่มีกำลังนะในการขโมยนะในการลักเอาของคนอื่นนะตัวความโลภตัวตันหานี่จะมีกำลังกว่าเขาเพื่อนนะอย่างนี้เป็นต้นส่วนในประวัติการนะประวัติการก็ให้นะไม่ใช่ให้แต่ปฏิสนธิการเท่านั้นก็จะให้ในในประวัติการด้วยนะก็จะให้ให้ผลเออ ก็มามาลองลองดูกันว่าในการทรอรธินาทานเนี่ยนะเมื่อให้ผลให้ผลอย่างไรเนาะให้ผลอย่างไรก็จะเป็นผู้ที่มีซับและข้าวเปลือกน้อยหรือไม่มีนั่นเองนะนะต่อมาก็ความเป็นผู้มีโพค้ไม่มีเลยนะ ก็คือไม่มีโคลคามิคี้ไม่มีไม่มีรั์และเข้าเปลือกต่อมาก็ไม่มีโคคะโคคะนะข้อถัดไปไม่เดี๋ยวนี้แดงชันขนาดนี้ก็ได้ครับเดกสนนี้คนอันจะได้ไม่เหมือนกันความเป็นผู้มีความไม่มีโคลคะยั่งยืนก็หมายความว่าเมื่อมีโคลคะเป็นไงโยมอาจจะมีแค่ช่วงเดียวพอมีแล้วก็หมดไปเคย โยมเคยมีอย่างนี้บ้างไหมในช่วงช่วงชีวิตไหนที่เคยเป็นอย่างนี้ไหมเช่นก็ทํางานหาทรัพย์มาได้นะแต่ไม่เคยมีเงินเป็นก้อนของเขาเลยเริ่มจะมีบ้านพังต้องซ่อมบ้านเริ่มจะมีรถเสียต้องซ่อมใหญ่ก็คือเงินก็ต้องหมดหมดหมดแล้วก็หมดไปนั่นเองนี่ก็เป็นกลุ่มของการไม่มีโพคะนะไม่มีโพคะได้ยั่งยืนก็คือแต่ก็มีนะก็มีพอกินพอใช้ไปเรื่อยๆอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะ ก็นี้เป็นส่วนหนึ่งของนะของอาทินาทานตลอดจนการที่เราป่าถนาทรัพย์ใดๆแล้วก็ไม่ได้ตามความป่าถนาเหล่านี้ก็จะเป็นกลุ่มของอาทินาทานเนาะอาทินาทานก็จะเป็นยุ่งเกี่ยวกับกับเรื่องทรัพย์สินเงินทองนะของตระกูลอาทินาทานในประวัติการนะซึ่งปกติชีวิตชาวโลกก็ต้องการพวกทรัพย์สินเงินทองอยู่แล้วใช่ไหมโยมต้องการทรัพย์มากๆนะอย่างแต่ทรัพย์นั้นก็ มีความเสื่อมไปทำลายไปหรือว่าชิบหายไปเนี่ยนะก็ตัวหลักของเขาก็จะเป็นกลุ่มของของบาปข้อเนี้นะซึ่งบางทีเราก็เห็นชัดนะโยมนะในช่วงที่เศรษฐกิจมีปัญหากันทั้งหลายคนที่ทำอกุศลไว้ส่วนใหญ่ก็จะมีผลคือทรัพย์นั้นก็จะเช่นว่าเศรษฐกิจไม่ดีธุรกิจเราก็เสียหายไปด้วยแต่บางพวกที่เขาไม่ค่อยได้ทาบาปแบบนี้มา เหมือนว่นก่อนโ ย, ยมสุวรรณนะนะยกเจ้าของบ้านแล้วกันบอกว่าช่วงที่เขามีสงครามกันคนอื่นเขาเดือดร้อนแตโยมสุวรรณตระกูลของโยมสุวรรณไม่เดือดร้อนสามารถตั้งฐานะได้เป็นปกติอย่างนี้เป็นต้นก็จะสังเกตเห็นว่าในช่วงที่คนอื่นเขาเดือดร้อนคนที่ไม่ทําบาปพวกอธินาทานไว้กลับตั้งตัวได้นะเพราะว่าบาปพวกนี้ก็จะไม่มีไม่มีโอกาสม่ให้ผลเขาก็คือสิ่งแวดล้อมจะเปลี่ยนแปลงไปยังไง สิ่งแวดล้อมจะเดือดร้อนขนาดไหนแต่คนที่ไม่สร้างเหตุแบบนี้ไว้ผลก็จะไม่มีทำให้ไรซับขาดแคลนซับหมดซับหรือว่าชิปหายความชิปหายของซับสมบัตินั่นเองตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของตัวการธรรมทานและไม่ธรรมทานด้วยนั่นเองนะแล้วก็อีกอันหนึ่งนะก็คือได้ซับ ตามใจปารถนาเนี่ยนะนะและและการไม่ได้ซัพย์ตามใจปารถนาก็คือพวกที่ทําอธินาทานนะก็เมื่อปรารถนาทรัพย์แล้วก็จะไม่ได้ทรัพย์แต่คนที่ละขาดจากอธินาทานเมื่อปราถนาซัพย์ทรัพย์นั้นก็จะได้มาโดยง่ายนั่นเองนะอันนี้ก็ขยายของจริงๆก็พูดถึงอธินนาทานเนาะโยมเนาะก็เลยพูดพูดผลของอธินาทานที่เป็นไปในประวัติการ แต่ก็ถ้าเว้นจากอดินนาทานก็จะมีผลตรงข้ามกันนั่นเองซึ่งเดี๋ยวอาจารย์สมทบก็จะมีเรื่องข้อมูลขยายเพิ่มเติมให้ด้วยนี่อขอขอเสริมตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวจะสอบถามเรื่องอทินนาทานนะี่ยคือจิตที่เกิดขึ้นในการงดเว้นและการเลิกละการงดเว้นจากอทินนาทานกิริยาที่ไม่ทําอทินนาทานก็ การไม่ล่วงละเมิดการไม่ล่วงขอบเขตแห่งอธินาทานแล้วก็การกำจัดต้นเหตุของอธินาทานในขณะนั้นของบุคคลนั้นของบุคคลผู้งดเว้นจากอธินาทานอันนี้เป็นเรื่องการคิดอ่านกิริยาที่คิดอ่านความคิดอ่านในขณะนั้นของบุคคลผู้งดเว้นจากอธินาทานหรือการประคองรักษาไว้เลือกปักคาหาเนี่ยความไม่หวั่นไหวอวิเคปะ ของบุคคลผู้งดเว้นจากอาทินนาทานฉะนั้นในเรื่องของอาทินนาทานเนี่ยจะต้องใช้ความเพียรด้วยนะความเพียรด้วยการประคับประคองสรุปก็คือว่าต้องมีฉันทาวิริยะจิตตะแล้วก็ปัญญาด้วยเป็นตัวในการที่จะมาขับเน้นในการที่จะทําให้จิตที่คิดจากไม่กระทําผิดในข้อนี้นะท่านึงใช้คําว่า อธินาทานก็คือการถือเอาของที่เจ้าของไม่ได้ให้การนำการนาของผู้อื่นไปหรือการลักไปได้แก่ความเป็นขโมยอทิ น, นางก็แปลของของที่คนอื่นเขาหวงแหนบุคคลใดเป็นผู้ทําตามใจชอบในของผู้อื่นที่เขาหวงแหนแม้ไม่ควรได้รับโทษทานหรือ และไม่ควรถูกตําหนิความตั้งใจลักของผู้มีความสําคัญในสิ่งของของผู้อื่นที่เขาหว ง, งแหนว่าเป็นที่เป็นของผู้อื่นที่หวงแหนเนี่ยทำความพยายามถือเอาสิ่งของนั้นให้เกิดขึ้นลักษณะอย่างนั้นก็เรียกว่าอาทินนาทานโทษของอาทินนาทานมีสองอย่างโทษน้อยกับโทษมากเมื่อสักครู่ทางท่านอาจารย์ไม่ได้ขยายไว้ก็เหตุผลก็คือไม่ได้ถามท่านตรงนี้ก็คือว่า ตรงนี้ก็คือว่าของของมีราคาน้อยคือของเลวเนี่ยนะอย่างนั้นก็เรียกว่าโทษน้อยถ้าโทษมากเพราะของผู้อื่นประณีดแล้วก็มีราคามากวัตถุประณีดวิตเตอเนี่ยนะตอนี้ประเด็นก็คือว่าเมื่อมีวัตถุเสมอการทินาชื่อว่ามีโทษมากในวัตถุของผู้มีคุณธรรมสูงเป็นต้นด้วย สมมติอของมันเส ม, มอกัร น, นี่นะเขวัดกันที่คุณธรรมว่าเราไปรักกับของผู้นี้มีคุณธรรมมากน้อยเพียงไรอันนี้ก็ก็ดูตรงนั้นถ้ามีคุณธรรมน้อยก็โทษน้อยเมื่อสักครู่ท่านอาจารย์มีชัยก็ได้กล่าวไว้เกี่ยวในเรื่องของการรักใช่ไหมทีนี้ประโยคของการรักเนี่ยองคเนี่ยที่บอกว่าประปริกหิตังเนี่ยของที่เจ้าของห่วงแหนใช่ไหม ปราปริกาหีตสัญญาตาสัญญิตาก็รู้อยู่ว่าเป็นของที่คนอื่นเขาหวงแหนข้อที่สามว่าไงถยะจิตตังจิตที่คิดจะรักข้อ4ทํทำความเพียนเนี่ยนะที่จะรักห้ากระเตนเตนะรนังรักมาได้ด้วยความพยายามนั้นทีนี้ถ้ามองมองในชั้นของจิตที่คิดจะรักเนี่ยรายละเอียดของการลักนั้นมีเยอะ ในกล่าวในรายละเอียดเยอะมากแม้การสลับสับเปลี่ยนของอะไรต่างๆเหล่ามีรายละเอียดเยอะเกี่ยวเรื่องของการข้อเนี้ยซึ่งเวลาในการที่จะไปวิจัยในเรื่องนี้ก็ค่อนข้างมีมีรายละเอียดรักด้วยมือของตอนเองรักที่บังเกิดขึ้นในมือของตอนเองยังไงมอใช่คนอื่นรักเรื่องของหนีภาษีเครื่องมือรักที่ทําไว้ในใจอํานาจคุณ ใช้อำนาจคุณสไสเป็นต้นบรรดาอิทธิฤทธิ์ทั้งหลายเหล่านี้นะการลักด้วยการขโมยลักด้วยการข่มขู่ลักตามที่กำหนดไว้ลักด้วยกิริยาที่ปกปิดอะไรต่างๆอนี้ก็เกี่ยวกับการซ่อนของการยืมของอะไรในรายละเอียด ม, มากในข้อของอธินาทานเนี่ยรายละเอียดเยอะมากเราจะไม่ตามไปดูในรายละเอียดทุก ม, มุมทุกข้อแล้วดูจากระยะเวลาเนี่ยทนะีนี้ดูผล เมื่อสักครู่ดูผลเกีย่ยวเรื่องการวันหนึ่งด้อยทรัพย์ทําให้ต้องเกิดในครอบครัวที่มีฐานะต่ําต้อยนี่ก็ตรวจสอบไปเรื่อยๆนะข้อที่สองก็คือยากจนเนเกิดในตระกูลต่ําเกิดในตระกูลต่ําข้อที่สามก็เป็นคนที่อดอยากมีชีวิตอยู่แร่อย่างแร่แล่นแค้นเนี่ยนะก็มีผลมาจากการด้อยทรัพย์นั่นแหละ ทีนี้ถ้ามองอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่ได้สิ่งที่ตนปรารถนาก็สังเกตว่าเป็นคนที่มีความผิดหวังบ่อยไหมกลุ่มผิดหวังทั้งหลายเหล่านี้ยก็มาจากข้อนี้แหละอธินนาทานนี่แหละทีนี้ถ้าดูในชั้นของคําสอนเราจะเห็นที่เคยสรุปไว้เมื่อตอนเชา้าบอกว่าอะไรตอนเชา้าที่สรุปประเด็นไว้ก็คือว่า เกี่ยวกันในเรื่องของที่สรุปประเด็นเกี่ยวกับในข้อแรกที่พระพุทธเจ้ากล่าวในในคำสอนของพระพุทธเจ้าที่กล่าวบอกว่าพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยที่มีรัตนเจ็ดประการไม่จักแก้วช้างแก้วม้าแก้วแก้วมณีนางแก้วขนบดีแก้วแล้วก็ปรินายกแก้วอันนั้นก็คนที่บำเพ็ญกุศลมาอย่างดีแล้ว ให้ทานรักษาศีลเป็นต้นเหล่านี้ทําให้ได้รับผลก็คือได้แก้วเจ็ดประการนี้แต่ถ้าดูแล้วว่าถามว่าจาับกแก้วช้างแก้วและม้าแก้วเนี่ยสำเร็จมาด้วยอนุภาพของความไม่โกรธความไม่โกรธแก้วมณีนางแก้วขันบดีแก้วเนี่ยมาจากอะโลภะคือความไม่โลภปรินายกแก้วใช่ไหมขุนผลเนี่ยอันนี้ได้มาจากปัญญา ทีนี้ก็มานั่งคิดกันแล้วแต่เนี้ยว่าทําไมคนถึงโกรธกันเนี่ยนะในข้อของปฏิบาติเนี่ยความโกรธความมาคาดความพยาบาททั้งหลายเหล่านี้ยยิ่งมีมากยิ่งลดเดชลดอํานาจมากไม่ใช่ทําให้ได้อํานาจมากฉะนั้นใครปรารถนาเดชปรารถนาอํานาจปรารถนาเกียรติยศชื่อเสียงทั้งหลาย ถ้าปราถนาแล้วเนี่ยก็ต้องอะไรต้องละโทสะละอิสาละมัชริยะละกุกุจะเสียเพราะสิ่งเหล่านี้ทําให้หมดเดชทําให้สิ้นลิติ์ทำให้หมดอำนาจคนจะมีอำนาจได้ไม่ใช่ไปเพิ่มโทสะแต่การจะมีอำนาจได้ต้องไปเพิ่มความไม่โกรธนะต้องไปเพิ่มความไม่โกรธต้องทำอโทสะให้เด่นขึ้น ทีนี้ก็ไปตรวจสอบดูว่าอาโทสานั้นมีลักษณะเช่นไรลักษณะของอโทสานั้นเป็นธรรมชาติที่ไม่ประทุสล้ายใช่ไมไม่ประทุสร้ายเป็นธรรมชาติที่ไม่โหดร้ายไม่ดูร้ายต่ออารมณ์คาว่าไม่โหดร้ายไม่ดูร้ายต่ออารมณ์ก็คือว่าไม่ว่าจะไปเกี่ยวข้องกับใครเกี่ยวข้องสรุปก็คือไปเกี่ยวข้องกับสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสและก็ทำมาอารมณ์ ที่เราจะมาบัญญัติด้วยความเป็นมนุษย์เป็นสัตว์ใดๆก็แล้วแต่เธอแต่เราไม่แยกแยะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนหรือบุคคลที่ไม่ใช่เพื่อนบุคคลอื่นทั้งหลายก็แล้วแต่สรุปแล้วที่โกรธใช่ไหมอาจารย์มีชัยเนี่ยจะพูดว่าโกรธจริงๆเราก็โกรธสีนั่นแหละโกรธเสียงนั่นแหละโกรธกลิ่นโกรธรสโกรธสัมผัสโกรธธรรมารลมใช่ไหมความโกรธที่เกิดขึ้นเนี่ย แต่มาบัญญัติว่ายกตัวอย่างเช่นอมาโกรธสมมติพ่าเห็นหน้ายอมเหลียงแล้วโกรธอย่างเงี้ยนะโกรธเลยเงี้ยถามว่าคําว่ายอมเหลียงเนี่ยถ้ายกตัวอย่างอย่างเงี้ยนะมีอะไรประกอบไปด้วยอะไรสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสและทำมารมณ์ก็มีตาหูจมูกเน้นกายใจประชุมกันอยู่ใช่ไหมแต่จะไปโกรธส่วนไหนบางทีเห็นสีหน้าแล้วโกรธก็ได้อย่างเงี้ยก็คือโกรธสีนะ ได้ยินเสียงแล้วก็โกรธเงี้ยได้กลิ่นแล้วก็โกรธใช่ไหมแล้วไปโกรธรดโกรธยังไงเดียวงงเลยเนี๋ยี้โกรธยังไงเอาอาหารมาให้ไม่ถูกใจใช่ไหมเป็นไปได้ไหมเอายอมเลี้ยงอาหารมาถวายว่ากินปุ๊บมาท่านอจารยมีชาบอกเอ๊แต่อนี้มันจะกินลองได้ไงเนี่ยอีกอย่างสมมติเงี้ยโกรธยังไงเห็นไหมเนี่ยก็โกรธรถนั่นเองเพราะไม่ถูกเอาเอาสิ่งของมาให้ที่สัมผัสไม่ดีทั้งหลายเนี่ย หยาบขึ้นมาสมมุติไปโกรธเนี้ยสรุปก็คือว่าบัญญัติทั้งหลายเป็นต้นกิริยาทั้งหลายก็ก็คือธรรมอารมณ์สรุปแล้วเราโกรธอะไรโกรธสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็ธรรมอารมณ์ใช่ไหมแต่ก็มาบัญญัติเป็นสัตว์บุคคลก็ว่ากันไปเราอาจจะบัญญัติสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสโดยความเป็นน้องโกรธน้องไงสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรมรมอารมณ์โดยความเป็นพี่โดยความเป็นพ่อด้วยความเป็นแม่ ด้วยความเป็นบุตรด้วยความเป็นภรรยาด้วยความเป็นเพื่อนด้วยเป็นญาติสนิทมิตรสหายหรือไม่ใช่ญาติสนิทมิตรสหายแต่อย่าลืมนะโทสนะเนี่ยมันให้ผลอย่างไรให้ผลในการหมดเดชหมดฤทธิ์หมดอานาจมันไม่ใช่ไปเพิ่มใช่ไหมที่สุดจริงๆอะ่ะหมดโอกาสเลยนะพระเจ้าจากักรพรรดินั้นต้องไม่โกรธกรรมของท่านคือทํากรรมที่ไม่โกรธมานะท่านจึงมีอะไร ความไม่โกรธทำให้ท่านได้จักแก้วช้างแก้วแล้วกับม้าแก้วถามว่ามีจักไว้เป็นอะไรเนี่ยเอาไว้ทำอะไรถามว่ามีใครจะอยากจะต่อกอนกับพระเจ้าจากักรพรรดิไหมแล้วพระเจ้าจากักรพรรดิเวลาจะไปที่ไหนก็รวดเร็วใช่ไหมช้างแก้วม้าแก้วเนี่ยไปได้อย่างรวดเร็วถ้าในสมัยปัจจุบันเนี่ยจรวดที่เร็วกวเสียงเนี่ยยังเร็วช้า ยังสู้จักแก้วยังชุ่มม้าแก้วช้างแก้วไม่ได้นะก็ดูทีเนี้ยใช่ไหมได้ข่าวว่าของญี่ปุ่นใช่ไหมไอ้ประเภทอย่างเร็วก็เสียงน้ํามาขึ้นไม่ทันแล้วถ้าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิมีม้าแก้วช้างแก้วแผ่นดินก็ไม่ไหวใช่ไหมเพราะบุญของท่านเนี่ยบุญท่านดีอะ่ะก็ป้องกันได้แล้วแต่เนี้ยป้องกันได้ไหมก็ไม่ได้นี่เราจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอํานาจทั้งหลายเนี่ย ได้มาด้วยความไม่โกรธงั้นการจะได้จับแก้วช้างแก้วแล้วม้าแก้วฉะนั้นท่านทั้งหลายถ้าจะเจริญกุศลกรรมเพื่อต้องการอํานาจนะปรารถนาจะได้อํานาจแล้วต้องลดทอนความโกรธเสียถามว่าในสภาพธรรมที่ฝังแน่นอยู่กับความโกรธมันมีอิสาอยู่ด้วยนะมันมีฤิษยาอยู่ด้วยนะมีมัชยริยะมีกุกขจะอยู่ในนั้นแหละ ตรงนี้ต้องลดถามว่าถ้าให้สังเกตดูในการเจริญทานกุศลเป็นต้นเหล่านี้ท่านจะขับเน้นบอกว่าการให้ทานเนี่ยหนึ่งก็คือละโลภะในวัตถุทานแล้วก็ละโทสะในปฏิคาหกคือผู้รับคือในกระหให้ก็ปลื้มในขะาใ ห, ใให้ก็เลื่อมใสจิตเลื่อมใสไม่ได้กเพราะโทสะนี่แหละนั้นสภาพโทสะเนี่ย ฝังแน่นในใจของท่านผู้ใดแล้วจะทำให้สิ้นอำนาจสิ้นยศแล้วก็จะหมดความเป็นใหญ่ถ้าเรารู้ว่าสถานภาพเป็นความเป็นใหญ่ทั้งหลายสัมมาสัมโพธิญาณเนี่ยได้มาด้วยอะโทสะเป็นต้นนะไม่ใช่ได้มาด้วยโทสะที่เรามองงนี้เราก็จะเห็นว่าโอ้ไงโทสะทําให้สิ้นเดชทําให้หมดอำนาจแต่ความไม่โกรธ เขาต้องบอกว่าอาโทสะเป็นธรรมชาติที่ไม่โหดร้ายธรรมชาติที่ไม่ปทุสลายต่ออารมณ์นี่ก็ไปแยกแยกะไปพิจารณาดูก็จะเห็นกิจของอะโทสะก็คือทําลายทําลายโทสะนั่นเองให้สังเกต ด, ดูว่าสภาพของโทสะเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็จะมีกลิ่นใช่ไหมเป็นธรรมชาติที่เย็นเหมือนเหมือนจันน์นี่เหมือนกลิ่นจันทน์เวลาเอามาใช้เอามาอยู่ด้วยก็จะทําให้เย็นใจ ผลปรากฏก็คือว่าจะทําให้อาการปรากฏเกิดขึ้นมีความมีความสงบมีความสุขคนที่มีอัโทสะแข็งแรงผลปรากฏก็เหมือนกับพระจันทร์วันเพน็ญอย่างวันนี้เป็นวันพระใช่ไมขึ้นสิบ้าค่ำอย่างเงี้ยนีไม่รู้ 14- หรือสิบห้าสใช่ไหมนเนี่ยสิบห้าคเนี่ยถ้าตอนกลางคืนโดยดวงจันทร์ที่จะขึ้นมาเต็มดวงก็จะมีความสุขมองแล้วก็จะเกิดความเยือกเย็นสงบแั้นใดสภาพของอัตโทสะเป็นอย่างนั้นแหละ ฉะนั้นตักุศลจะต้องเป็นลักษณะสงบเย็นแบบนั้นนี่จะทำให้มีอำนาจจะทำให้มีเดชนะจะทำให้มีเดชมีอำนาจทีนี้อะโลภะทาให้ได้แก้วมณีนางแก้วแล้วข้าวหามบดีแก้วถ้าถามว่าพระเจ้ามันธาตุราชเนี่ยเวลาตกพระหัตถ์เนี่ยลัตนะที่เป็นเงินทองเป็นฝนกหาปัญญานเนี่ยล่วงไปจากฟ้าได้เนี่ยเพราะความไม่โลภ เราเนี่ยลองไปตบจนมือพังมันก็ไม่ร่วงใช่ไหมแต่บางคนตบก็ได้เงินเหมือนกันนะใช่ไหมได้ไหม่ะได้บางคนก็ไปตบเงินตบมือใช่ไหมคนบางคนเนี่ยเป็นคนที่มีมีฐานะหรือมีคนใครก็อยากเห็นเนี่ยแค่ขึ้นไปร้องเพลงไปตบมือหน่อยนะเนี้่นะเขาก็เอาเงินให้เอารางวัลให้ไอ้ก็ตบก็ได้เหมือนกันอันนี้ก็ เราตอบไม่ได้เราไปตอบอยังไงรองเท้าเ น, นี่ลกขึ้นมาตอบอยังไงเงินก็ไม่ร่วงมาแต่นี้พูดถึงว่าจากจากแก้วเนี่ยเข้าไปพูดถึงแก้วมณีแก้วมณีก็พวกรัตนะทั้งหลายเหล่านี้แล้วอีกอย่างที่ชัดก็คือนางแก้วนางแก้วเนี่ยจะเป็นบุคคลที่มีสัมผัสที่นิ่มใช่ไหสัมผัสที่นิ่มก็คือว่า ถ้าหน้าร้อนก็จะผิวกายก็จะเย็นใช่ไหมถ้าหน้าหนาวผิวกายก็จะอุ่นใช่ไมกลิ่นปากก็จะหอมอบอวลท่า น, นที่นั่งอยู่นี้ไม่ทราบ ว, ว่าใครมีคุณสมบัติแบบนี้ไหมมีว่ากลิ่นปากเหมือนกับกลิ่นของดอกมะลิดอก อ, อกบนนุบลนี้แล้วหอมตลอดไม่ต้องแปลงฟันเป็นไปได้ไหมอันนี้แสดงว่าเห็นชัดเลยใช่ไหมว่า ความโลภของเรานี่แหละทําให้กลิ่นปากเหม็นทาให้กลิ่นปากเหม็นฉะนั้นความไม่โลภใช่ความไม่โลภต่างหากเป็นเหตุให้ได้ทรัพย์โดยเฉพาะขาหา้หวารดีแก้วเนี่ยคือการได้ทรัพย์อันนี้พูดถึงทรัพย์ภายนอกนะแต่ถ้าหากขับเน้นมาในคำสอนของพระพุทธเจ้านี่นะอโลภาเนี่ยทาให้ได้อริยทรัพย์ ซับคือศรัทธารัพย์คือศีลรัพย์คือหิริโอตปะจาฆะปัญญาทั้งหลายเหล่านี้นะซั์คือสติปัฏฐานสมะปัฏฐานอิทิบาทอินทรียพระโุชธอรกยมร์ทั้งหลายเหล่านี้ทรัพย์เหล่านี้เป็นทรัพย์ของคนไม่โลกท่านถึงจะได้อริยทรัพย์เหล่านี้ฉะนั้นทั้งทรัพย์ภายนอกและทรัพย์ภายในทั้งหลายต้องขับเน้นในการละความโลภส่วนอะโมหะคือปัญญาเหล่านี้จะทําให้ถ้าพระเจ้าจักรพรรดิจะได้ปรินายกแก้ว คิดอะไรแล้วก็มีคนรู้ใจอ่ะคิดแล้วก็ทำให้ได้ทุกอย่างเคยเจอไหมเคยเจอคนที่มีลูกน้องขนาดนั้นไหมล่ะมีผู้ใต้บังคับบัญชาขนาดว่าแค่ดําบลีเนี่ยตื่นเช้ามาเขาทำให้เบสเสร็จแล้วถ้าปรารถนาระดับนั้นก็นี่ไงใช่นไหมอโมหะคือปัญญานี่แหละให้ทาอโมหะคือปัญญายกตัวอย่างเช่นการจะให้วัตถุทานหนึ่งชิ้นนะฮะ หต้องทำลายโลภะในวัตถุทานทำลายโทสะในปฏิฆาหกแล้วก็ทำสัมมาทิฏฐิให้เป็นปฏจจีบในการไปเห็นกรรมและเห็นผลของกรรมให้ชัดทุกเรื่องเห็นไหมกรณีเมื่อสักครู่พูดถึงในเรื่องของผลของอธินาทานเนี่ยผลของการลักผลของการลักเนี่ยทำให้ได้ไม่ได้หนึ่งทำไม่ได้ซับเห็นไหมเราจะไม่มีทรับเลยทรับภายนอกก็ไม่มี แล้วก็ทรัพย์ภายในไม่ต้องพูดถึงแล้วเพราะมาจากการลักความอยากความต้องการนี่แหละแล้วก็ยากจนยากจนเกิดในตระกูลต่ำทำให้ชีวิตดิ้นรนเพื่อหาเงินทีนี้ผลของอาทิ ท, ที่ทาไว้รุนแรงเนี่ยทั้งๆ ท, ท, ที่ได้ทรัพย์มาเนี่ยบางคนเนี่ยพอมีเหตุแห่งการได้ทรัพย์เดี๋ยวก็เสียทรัพย์มีเหตุแห่งการได้ทรัพย์มาเท่าไหร่เดี๋ยวก็เสียทรัพย์อันนี้ก็เห็นอยู่ว่าเป็นอย่างนั้น บางคนเนี่ยหาทรัพย์มาทั้งชีวิตเลยนะพอได้ได้ได้ไดมาพอจะเป็นเกอะเป็นกรรมขึ้นมาหน่อยเอาก็พังอยู่แล้วแล้วก็ล้มละเนระนาดเอาเห็นชัดยกตัวอย่างเช่นกว่าจะสร้างเนื้อสร้างตัวมาเนี่ยกว่าจะปลูกบ้านมาได้กว่าจะสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างประเทศมาได้เนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่พอวันดีคืนดีแผ่นดินมันก็ดิกนิดเดียวล่วงละเนระนาฏเนี้ยนี่ไงผลการด้อยทรพัพย์ไหมอย่างเงีย้ยด้อยยากจนทันทีเลยเนี่ยเหมือนเราเราอยู่ตรงเนี้ย อย่าลืมนะถ้าบุญมันหมดเนี่ยจนภายในวันนี้ได้ทันทีเลยนะเนี่ยที่นั่งๆกันเนี่ยอย่าคิดว่ามั่นคงบุญนี้ไม่ได้มีความแข็งแรงอะไรเลยถ้าอธินนาทานกรรมนั้นมันตามมาให้ผลเนี่ยมันจะสามารถทําให้วิบัติวันนี้ก็ได้จริงไหมจริงยอดสวัสดิ์จริงไห ม, ม, ไหมเนี่ยยินดีเจ้าของบ้านรับรองแล้ว อันนี้ไม่ใช่ไปหาคนรับรองว่าเออมันต้องเป็นอย่างนั้นไม่ใช่โดยข้อเท็จจริงเป็นอย่างนี้เห็นไหมในสวรรค์ชั้นดาวดึงษ์อ่ะท้าสก่าที่ไปมัวหลงละเริงในเวชยัญปราสาสตร์พอเห็นพระเถระคือพระโมคคัลลานะขึ้นไปเบ็ดเสร็จก็บอกโอ้พระเถระมาเชิญท่านดูบุญของโยมหน่อยดูที่เนี่ยเวชยัญนภาศาสตรมีนางฟ้าทั้งสามโกดครึ่งอันนี้ก็คือบุญของโยมทั้งนั้นว่างั้นชี้ให้พระเถระดูว่า พระเถระจะไปถามบอกว่าพระบรมศาสดาท่านคุยกับพระตลาดศดาเมื่อคืนนี่คุยเรื่องอะไรแต่ท่านลืมซะแล้วพอไปเห็นวิมานตนเองใช่ไหมเหมือนคนบางคนเนี่ยเรียนธรรมะมาอย่างดีเลยไปเที่ยวทะเลครั้งเดียวลืมหมดเลยอย่างนี้สมมตินะลืมหมดเลยปลาปูกุ้งเอาไปกินหมดใช่ไหมไปได้นิมิต ด, ดีๆพอช่วงเทศกาลสงการขึ้นมาแล้วไปกันแล้วตอนนี้ลืมเลยตอนนี้กลับมาธรรมะที่ท่องไว้ก็หายจะต่างอะไรกับทาสกาใช่ไหมตอนนั้นนี่ย ท้าส ก, กาก็ก็ท่านก็ลืมนึกไม่ออกก็เลยเปลี่ยนเรื่องบอกว่าจะพาพระเถพราชมบุญของท่านบอกนี่ชมเวทเวชย์ันปราสาทตร์นะดูช้างเอราวัณดูสวนสวนอะนันทวันเลยมิศกาวันเลยปารุศกวันเ ป, นป็นต้นนี่นะสวนคือต้องการให้ดูสวนในดาวดึงอะ่ะไปไปมาก็พระเทพราบอกเอ้ท้าส ก, กาก็นี่มัวมัว มัวเพลินอยู่กับบุญที่ไม่มีสาระเลยอ่ะไม่มีสาระของความงามไม่มีสาระของความเที่ยงแล้วก็เป็นทุกข์ด้วยนะมีสาระความสุขที่แท้จริงเลยแล้วก็บงังคับบัญชาไม่ด้วยพระเถระก็เลยเข้าเขาชาญสมาบัติใช้เท้าสกิดนิดเดียวแผ่นดินไหวเลยบนดาวดึงเนี่ยไหวทั้งแผ่นดินนะแผ่นดินไหวเลยคิดดูว่าดาวดึงเนี่ยต้องมั่นคงกว่าโลกมนุษย์สิ แต่ทำไมเท้าของพระเทราสกิดนิดเดียวทำไมไหวล่องกันลองกันลั่นเลยไปลายเวชยานปราสาสเนี่ยเกือบติดพื้นนะดีนะระบบป้องกันแผ่นดินไหวก็ดีแต่เป็นงั้นจริงๆพระเทราไม่ต้องการจะทำให้พังเผอิญนะถ้าท่านอาจารย์มีชัยท่านมีฤีบิมีเดชเนี่ยท่านจะเขยา่า ขย่าวแผ่นดินตรงนี้ให้โยมสุวรรณเหนนเ็นเบอร์เถามท่านท่านบอกไม่มีทําไม่ได้ถ้าอย่างนั้นก็เลยขย่าให้ดูว่าเนี่ยถ้าถามว่าไอ้โยมเนี่ยบุญเนี่ยไม่แข็งแรงนะอนี้นะใช่ไหมถ้าเป็นพระเทเรซสมัยกลางวัฏการนี้ท่านพูดได้ชัดเจนบุญไม่แข็งแรงหรอกถ้ายังไปเถียงท่านบอกว่าแข็งแรงอยากดูไหมละ่ะไม่แข็งแรงนี่ขย่าวได้จริงด้วยนะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ลูกเสียชั้นหลังหมดลทธิห์หมดอํานาจ แต่แต่ก็ถามว่าโดยหลักการเราเห็นเหตุผลเหตุผลว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่แข็งแรงเลยเราพร้อมที่จะจนในวันนี้ก็ได้ถ้าอธทินนาทานตามให้ผลต้องคิดดูถ้าทำให้สถาบันการเงินสุดทั้งหมดเนี่ยแย่ไหมเนี่ยเกิดมีการจลาจนแผ่นดินไหวสุดลงหมดเลยเนี่ยได้ทำไงเหลือแต่ตัวกันแค่ น, น, นั้นเองวิ่งกันไปแล้วแต่นี้มีท้องก็ใช้ไม่ได้มีเงินก็ไปใช้ยังไง มีเอาต่อให้มีเงินในธนาคารธนาคารของธนาคารซดหมดแล้วเงี้ยนี่ทำยังไงเนี่ยก็เป็นอากาศหมดแล้วก็ต้องไปเริ่มต้นศูนย์กันใหม่หมดใช่ไม่ใช่นี่ไงที่ใครว่าวางแผนไว้อย่างดีเนี่ยวางไปเถอะแต่ยังให้อธินาทานมันตามไม่ผลนะมันจะกลายเป็นด้อยทรัพย์ยากจนเนี่ยอดอยากขึ้นมาเลยแล้วก็จะทำไม่ให้ได้ปรารถนาพินาศจากกิจการค้าการลงทุนแล้วพินาศเพราะภัยพิบัติต่างๆ นอุทกภัยวาตภัยอัคีภัยราชภัยโจรภัยอีกเยอะเนี่ยมองตรงนี้เสียจะได้รู้จักกรรมของอคินนาธานที่ทำไปว่ามันให้ความเจ็บปวดแต่ตอนนี้ตอนนี้นี่นะกุศลกรรมยังประคับประคองอยู่ก็ดูในทาให้สถานการณ์ของเราท่านทั้งหลายยังพอหายใจโล่งหน่อยใช่ไหมแต่ ถ้ามองชั้นกันลึกๆ ล, ล, ลงไปเนี่ยก็ไม่ค่อยลงเท่าไหร่ก็ตรงที่ว่าตอนนี้เรายังไม่สามารถขจัดราคะโทสะโมหะเป็นต้นในใจเป็นต้นได้ฉะ น, นั้นในข้อของคำว่าไม่ได้อย่างที่ปรารถนาพินาจจากการค้าการลงทุนแล้วก็พินาจเพราะภัยพิบัติต่างๆไอ้ตรงนี้ก็ก็เป็นกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องของกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องอธินาทาน ถ้ายมจะถามอะไรตรงนี้ถามท่านอายานมีชัยได้นะถ้าจะเก็บประเด็นอัดมามาสรุปประเด็นตรงเนี้ยเพราะท่านจะชอบให้ถามเออท่านเป็นอย่างนั้นท่านชอบให้ถามมากกว่าที่ท่านจะขยายความนะเน่อาต่อไปมีใครจะถามไหมเรื่องอธินาทานมีมุมไหนที่จะถาม อ๋อนั่นยังไม่ถึงประเด็นนั้นเมื่อกี้นี้อาจารย์มียกตัวอย่างอะค่ะเขาก็ใช่ไหมคะที่บอกเกี่ยวกับนางแก้วอะค่ะที่ว่าออาจารย์พูดเรื่องปากก็เลยแปลกใจพูดโดยรวมก็ว่ก็คือแปลใจว่ากําลังพูดนี้ทําไมมันมามาตรงข้อนี้ค่ะขอบคุณค่ะอมีใครจะถามประเด็นเกี่ยวกับอทินาทานไหมได้ให้อาจารย์ท่านตอบ กรับมาสการถามเจ้าค่ะในแง่ของอธินาทานเนี่ยบอกว่าเป็นผู้ที่เสื่อมจากทรัพสมบัติทั้งหมดมันก็คล้ายกับในลักษณะของการค่าพลากจากสมบัติทั้งปวงออในลักษณะของสองอย่างเนี้มันมันพอจะแยกแยะ ก, กันได้ยังไงเจ้าคะ คำถามของโยมก็ถามว่ า, ถ, า, วาถ้าฆ่าสัตว์นี่ก็ทําให้ทรัพย์ของเขาพินาศหมดเหมือนกันหมดใช่ไหมแต่สังเกตว่าการฆ่าสัตว์นี่เขาทำให้ให้สัตว์นั้นพินาศจากทรัพย์โดยการตัดชีวิตจินรีนะตัดชีวิตออกจากทรัพย์แต่ถ้าเป็นอทีนาทานตัดทรัพย์ออกจากชีวิตจะ ต, ต่างกันตรงนี้นะคืออันหนึงเอาชีวิตออกจากทรัพย์สมบัติคือวัตถุกรรมทั้งหลายนี่เป็นเรื่องของปัจจัยบารแต่ถ้าทินาทานเนี่ย เอาเอาทรัพย์ที่เรียกว่าวัตถุ ก, กรรมทั้งหลายเนี่ยออกจากจากชีวิตนะนะจากชีวิตก็จะต่างกันตรงนี้เนาะผลผลของบรรานิบาศบางส่วนก็ให้ผลเป็นผู้ไร้ทรัพย์นะเศษกรรมของเขาก็หนดเป็นผู้ขาดแทนทรัพย์ด้วยเหมือนกันดังนั้นดังนั้นถ้าในถ้าเราได้ล้วนนิสงของของพวกปรรานิบาศครบเนี่ยเขาจะเห็นชัดว่ามันจะปน ป, น, ป, น, ป, น, ปนกันไปหรือว่าพูดถึง สินห้าหรือกรมรมบวทั้งหลายเนี่ยผลของบาปหรือผลของบุญเนี่ยบางทีมันจะดูทับทับคาบคาบเกี่ยวกันนะเนาะทับแลๆๆ้วคาบเกี่ยวกันก็ไม่แปลกอะไรนะเพราะว่าถ้าเรามองเห็นมุมมองชีวิตจริงๆชีวิตของชีวิตของหมู่สัตว์จริงๆก็ก็เป็นไปในทวารทั้งหกที่เป็นมิติตาเห็นสีหูได้ยินเสียงชูหมวกลิ้นรู้กลิ่นลิ้นรู้รสกายรู้สัมผัสใจคิดนึกเรื่องราวใช่ไหมซึ่ง ไอส้สีเสียงกิริยสัมผัสเนี่ยที่เขาเรียกว่ากามกามกามมรทำเหล่านี้ที่เขามาจําแนกแจกแจกแจงเป็นวัตถุต่างๆเป็นสิ่งมีชีวิตหรือว่าสิ่งเป็นสังขา ร, เ ป, ารเป็นสิ่งไม่มีชีวิตทั้งหลายเนี่ยแล้วก็ศีลกุศลทั้งหลายที่เป็นไปก็เป็นไปเพื่อการจัดการนะ<ม>เป็นไปเพื่อการจัดการ<ม>กับวัตถุ ก, กามเหล่านี้ได้อย่างถูกต้องนั่นเองก็คือสังเกตนะว่า ทานกุศลก็ดีสิ่งกุศลก็ดีเนี่ยจะเป็นรูปแบบหรือข้อจัดการข้อกําหนดที่เป็นไปเพื่อให้เราจัดการเกี่ยวกับวัตถุสิ่งแวดล้อมทั้งหลายหรือว่าคํานึ่งก็เรียกว่าวัตถุกรมได้อย่างถูกต้องที่เป็นไปกับกุศลได้นั่นเองนะถ้าตรงนี้ถ้าเราเข้าเข้าใจคอนเซ็ป ต, ต์อย่างนเนี้ยเนี่ยเราก็จะ ง, ง่ายขึ้นในในการเห็นวัตถุหรือว่า การเป็นไปในศีลกุศลและค่าทานกุศลว่าว่าจริงๆสิ่งเหล่านี้มันคือตัวการมาทํานะการมาทําเหล่านี้เราก็ต้องมีข้อปฏิบัติที่เข้าไปจัดการดูแลเขาจัดการบัญญัติก็เป็นใบกับคาทานกุศลจัดการบัญญัติก็เป็นไปกับการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่พูดผิดรูก ม, มีคนอื่นอย่างนี้เป็นต้นเขาพูดตอบเพิ่มขึ้นมาเ<บ>นื่องจากโยมถามว่าว่ามันต่างกันยังไรรงระหว่างการฆ่าสัตว์ กับพทชินาทานนะหรือกับนนัการอีกครั้งจ้าคืออย่างให้ทานกระทบตนกระทบผู้อื่นว่าเปนเ็นเหตุให้เสื่อมจากซั์ด้วยใช่ไหมเจ้าคะถ้าให้ทานกระทบตนกระทบคนอื่นนี้อาจารย์สงทบบรรยายไปแล้วนัน่นเองเนาะอันิี้สงอันนี้ส์อนนสของเขาก็จริงๆก็จะพูดเรื่องให้ทานไม่กระทบก่อนนะเนาะให้ทานไม่กระทบถ้าให้ทานไม่กระทบผลก็จะ ทานนั้นก็จะทรัพย์นั้นก็จะมั่นมั่นคงนะไม่เสื่อมเพราะไพ่ทั้งหลายนั่นเองนะมีโจรภัยอัก ค, คีภัยวาตาไพ่นะหรือว่าลูกหลานผ่านสมบัติแต่ถ้าให้ทานแล้วคอยกระทบตนกระทบคนอื่นนะทรัพย์สมบัตินั้นก็จะพินาศไปได้เวลากรรมให้ผลนะะกุศลกรรมให้ผลนะแต่เศษกรรมเศษอกุศลกรรมที่ที่มาแวดล้อมกุศลอยู่ก็จะทําให้ทรัพย์สมบัติเหล่านั้นพินาศไป พินาตไปได้ง่ายนั่นเองนะพินาตไปได้ง่ายซึ่งตรงนี้ตรงนี้ก็เรื่องทานบุศลใช่ไหมก็จะมามีผล ท, ทั้งที่เป็นทานกุศลจะมีผลใกล้กับอาินนาทานนะเพราะว่าไอ้ตัวการให้ทานแล้วกระทบตนกระทบคนอื่นนะไอ้การกระทบนั้นเป็นกลุ่มของของมานะกลุ่มของมานะธรนะรมดาของมานะเวลาเกิดขึ้นก็จะมีมาพร้อมกับโลภะ โลภะ ต, ตัวเจตสิกเหล่านี้จะเป็นฝ่ายบาปถ้าเราเห็นเจาะไปที่ตัวบาปกลุมใช่มนนะกลุ่มความโลภเนี่ยนก็ใช้ผลทำให้ไร้หรือขาดแคนจากวัตถุ ก, กามทั้งหลายได้นั่นเองคือความวิบัติความเสียหายของสี่เสียงทีโลรสัมผัสก็จะเกิดขึ้นนั่นเอ ง, ซ, งซึ่งตัวนี้ตัวทินาทานเองก็เป็นตัวของกลุ่มตัณหากลุ่มโลภะนั่นเองนะที่โลภะที่ไปจัดแจงจัดการกับ กับวัตถุ ก, กรรมเหล่านั้นได้มีดีไม่เหมาะไม่สมก็คือเมื่อเป็นเมื่อตาเห็นสีหูได้เสียงชั่วโมงรูกลิ่นหรือรู้รสเนี่ยเหล่านี้เป็นต้นตัวอะตอมมันทํางานถ้าพูดกันกันย่ อ, ยอๆสั้นๆก็คือก็บาบมันทํางานในเมื่อเห็นสีเมื่อมีสีเป็นปัจจัยแก่บาปแก่โลภะเสียงเป็นปัจจัยแก่โลภะกลิ่นเป็นปัจจัยแก่โลภะรัศรสลดเป็นปัจจัยแก่โลภะตลอดจน เย็นร้อนอ่อนแข็งเหล่านี้เป็นปัจจัยแก่โลภะถ้าโลภะเกิดผลก็จะซีเซียนเกลิดสัมผัสเหล่านั้นก็จะวิบัตินั่นเองนี่ก็คือคอนเซปต์ของของของกลุ่มโลภะหรือกลุ่มของอาคุสนั้งจริงๆอกุุสทั้งหมดก็เป็นกลุ่มแบบนี้นะให้ผลแบบนี้นั่นเองดังนั้นตัวมานะให้ผลเป็นทรัพสมบัติพินาศไป ก, ก็ก็ไม่แปลกอะไรที่จะเป็นเป็นเหมือนกับตัวอธินาทานได้ เพราะฉะนั้นผลที่เกิดขึ้นเนี่ยเราไม่สามารถจะแยกได้ใช่ไหมเจ้าคะว่ามาจากเหตุแห่งอธินาทานหรือเหตุแห่งการให้ทานที่กระทบตนกระทบผู้อื่นเนี่ยเจ้าคะ่ะเพราะว่าลักษณะมันก็คล้ายกันคือเกิดจากการเสื่อมไปของทรัพย์ทั้งปวงในรูปแบบใกล้เคียงกันอ๋อธรรมดาเรื่องนี้เรื่องพวกนี้เรื่องกรรมและผลของกรรมทั้งหลายเรารู้จักทฤษฎีได้นะโยมรู้ทฤษฎีได้แต่เราไม่สามารถ ไปบอกได้ว่าความความพินาศของทรัพย์ครั้งนี้เกิดจากกรรมไหนกันแน่โดยตรงเราประมาณการได้ตามทฤษฎีเพราะว่าการที่เราจะชี้ลงไปได้ชัดเจนขนาดนี้จะเป็น ต, ต, ต, ต, ต้องใช้กาลังยานที่สูงมากที่เรียกว่าสัมมาสัมปวิยานเนาะถึงจะชี้ชัดลงไปเลยว่าสมมุติว่าอาตมาเสียทรัพย์ครั้งนี้เกิดจากกรรมนี้ในวันนั้นชาตินั้นอย่างนี้เป็นต้น ก็จะเป็นสัมมาสมาธิญาณ น, นั้นถึงจะชี้เจาะลงไปได้ถ้าระดับต่ํากว่านั้นก็ก็จะไม่ได้ขนาดนี้แล้วนะก็นั้นก็ข้อมูลเหล่านี้เราก็พูดได้ตามหลักการว่าเหตุอย่างนี้ผลอย่างนี้ได้ซึ่งจะเป็นเป็นประโยชน์สังเกตนะว่าประโยชน์ที่เราต้องการคือให้เราจัดการกรรมของเราได้ถูกต้องนะเราต้องมุ่งไปที่ตรงนี้นะว่าพอเรารู้รู้หลักการเหล่านี้แล้วเรารู้ว่ากรรมชนิดเนี้ยคือการกระทำของเราขนาดเนี้จยจะให้ผลอะไรในอนาคตหรือว่าผลที่เราเจอณนะปัจจุบัน มันน่าจะเกิดชะกกรรมอะไรในอดีตคือมันเกิดชะกกรรมอะไรในอดีตนั่นเองแล้วเราก็เห็นเหตุเ ห, เห็นผลแล้วก็เลี่ยงอกุศลแล้วก็เจริญกุศลนี่คือทฤษฎีของการเรียนรู้เรื่องกรรมบวนะอกุศลกรรมบว10หรือกุศลกรรมบว10ตลอดจนการรู้เรื่องทาเรื่องสีเหล่านี้เป็นต้นนะอาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมตรงนี้ที่ท่านอาจารย์กล่าว่าสักครู่นี่นะถ้าไม่เห็นมุมอะไรว่าเห็นว่า เจตนาที่เป็นไปกับความโลภเจตนาที่เป็นไปกับมานะเจตนาที่เป็นไปกับมิจฉาทิถิใช่ยกตัวอย่างเช่นการให้ทานแล้วไปกระทบตนและบุคคลอื่นซึ่งเป็นกลุ่มในด้านของทานากุศลแต่การกระทบตนและบุคคลอื่นเนี่ยไอการให้ก็คือการให้แต่การกระทบตนและบุคคลอื่นทั้งหลายเหล่านั้นน่ะอันนั้นก็คือว่าออนี่เขาถามว่าเหตุการเหตุแห่งการได้รับผลของทาน โดยยกเดีเดี๋ย ว, ยวตรงนี้ค่อยไว้ทีหลังนะประเด็นตรงนี้ก็คือว่าการที่เจตนาที่เป็นไปกับการรับเช่นเออขอไปเมื่อกี้ที่ยอมถามมาเกีย่ยวเรื่องการให้ทานแต่ไปกระทบตนจิตที่คิดกระทบตนแล้วกระทบบุคคลอื่นเมื่อตะกี้ท่านอาจารย์ท่านพูดยกตัวอย่างมาแล้วเป็นมานะมานะนั่นแหละไปกระทบไปกระทบแล้ว เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็มีการยกตนบ้างข่มบุคคลอื่นเป็นต้นบ้างฉะนั้นการยกตนและข่มบุคคลอื่นในขณะนั้นเป็นอากุศลกรรมอกุศลกรรมตรงนั้นที่เกิดขึ้นในขณะนั้นจึงไม่เรียกว่าทานแล้วจึงไม่เรียกว่าการให้ที่เป็นไปกับ ก, กุศลรรแล้วเป็นกรรมไปแล้วก็เรียกเป็นอากุศลกรรมไปแล้วทีนี้อกุศลกรรมเหล่านี้ไปเกี่ยวข้องกับการกับทรัพย์ข้อให้ใช่ไหมไปเกี่ยวข้องกับทรัพย์บุญ เออดีดีพรา่อกี้ดูแล้วไม่ค่อยคล่องให้ยอมอาจจะสะดวกกว่ า, ว เ, าเออเออเยพอดีเดี๋ยวพอดียมสุวรรณต้องการจะถามเรื่องการกระทบบุคคลอื่นเช่นอย่างนี้นะเช่นอย่างนี้ว่าการให้ทานบางครั้งเนี่ยตนเองให้วัตถุทานที่มีค่าน้อยกว่า ก็เลยยกยกไปกระทบบุคคลอื่นเลยว่าเรามันมีน้อยสมมุตินะถ้าพูดโดยตรงตรงก็ยิงตรงที่ยมสุวรรณเลยบอกว่าอามีคนก็ถามว่าเนี่ยไปให้ทานเหมือนกันเห็นยงสุวรรณให้ทานเยอะๆอย่างนี้แล้วก็มีการถวายทานเดี๋ยวผ้าสง์แล้วก็มีญาติธรรมทั้งหลายทั้งอุบาสกบาสิกามาก็มีการแจกทานมีการถวายทานเจริญทานกุศลคนหนึ่งก็เลยพูดขึ้นมาบอกว่าเออให้ทานเหมือนกันบอกอา้า ยมเนี่ยมีน้อยจะทําอย่างคนสุวรรณไม่ได้หรอกแต่ตอนพูดเนี่ยไม่ได้พูดด้วยกุศลพูดด้วยมานะเพราะโยมเนี่ยมีน้อยฉะนั้นยอมก็ทําไปตามน้อยของโยมนี่แหละไม่เหมือนคนคนโน้นหรอก mm hmm. เขาทํำนะยิ่งใหญ่อันนี้เขาเรียวกว่ากระทบตนก็คือยกตนก่อนแล้วก็ไปกระแทกคนอื่นได้มานะเขาให้แต่พูดนั้นพูดด้วยโลภะที่มีมานะเกิดเห็นไหมนี่จิตที่แข็งกร้าวเกิดขึ้นมาแล้ว ไอตัวอกุศลกรรมตัวนี้แหละเวลาให้ผลก็ทําให้วิบัติทรัพย์นั้นก็วิบัติด้วยโจระัยราชภายัยอัคีภยัยอุทกภัยเป็นต้นทีนี้ยอมก็เลยถามมอมบอกว่าเอา้าแล้วข้อการอธินาทานเนี่ยใช่ไหมการรักทรัพย์เป็นต้นเหล่านี้ก็เป็นเหตุทําให้วิบัติได้ภัยเหล่านี้เหมือนกันเนี่ยต้องเจออุทกภยัยวาตภายัยราชภายัยอัคีภัยเหมือนกันเนี่ย ก็เลยถามบอกว่าจักรู้ได้อย่างไรใช่ไหมว่ากรรมเหล่านี้ที่เราได้รับเนี่ยมาจากการให้ทานกระทบหรือมาจากข้ออธินาทานใช่หมท่านอาจารย์ก็เลยตอบประเด็นบอกว่าการจะไปเจาะประเด็นอย่างนั้นจริงๆเลยเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วแต่ให้รู้เถอะว่ากรรมที่ทำกับความโลภนี่แหละที่เป็นไปกับเจตนาที่เป็นไปกับความโลภนี่แหละที่มีมานะเป็นต้นอะไรอย่างนี้ สรุก็คือความโลภทำให้ไ ม, ไม่ไม่ให้มีรัตนแก้วนี่แหละไม่ให้ได้นางแก้วไม่ให้ได้คุนคางแก้วเนี่ยลดหย่อนลงมาก็คือทำให้หมดทรัพย์นั่นเองถ้ามีทรัพย์ทรัพย์ก็วิบัติไปด้วยเหตุปัจจัยที่ตนเองทำก็เลยยกนั้นคือยกเป็นตัวว่าแต่ถ้ามองอย่างนี้ว่าการให้ทานอย่างนั้นแล้วมีจิตที่เป็นไปในลักษณะนั้นมันไม่ใช่ทานกุศลแล้ว แต่จริงอยู่ก่อนหน้านั้นอาจจะเป็นทานแต่จิตที่ไปคิดกระทบเนี่ยมันกลายเป็นอกุโสลกรรมอกุศสลกรรมประเภทนั้นเวลาให้ผลก็มาทําลายทรัพย์มาทําลายทรัพย์ทําให้วิบัติไปต่างๆ น, นี่เป็นอย่างนั้นอาไม่ทราบว่าใครจะถามเพราะเชิญเลยเอ้อ่านอ่านปนัญหาถามเมื่อกี้วันดีดู หลั ง, ง, งาการให้จ้างแล้วค่ะเหตุเห็นการได้รับผลของทานนะคะผู้ที่จะต้องอได้มาด้วยการห า, หามาเองนะคะอีะอประเภทหนึ่งก็เป็นผู้ที่จะได้รับของอยู่เสมอๆจากผู้อื่นนะคะแล้วก็หรือเหตุแห่งการไม่ได้เช่นบางคนก็มักไม่ได้ของหรือได้ของก็มีที่มีตํำหนิเสมอๆนะคะค่ะ เหตุแห่งการจากการได้และไม่ได้นะคะแล้วข้อที่สองยกตัวอย่างเทวดาที่มีเทวดาสองประเภทประเภทที่เนรมิตเองกับประเภทที่ผู้อื่นเนรมิตให้อยากทราบว่าเหตุเช่นใดถึงได้ผลเช่นนี้เจ้าหน้าที่การเมืองตอบใช่ไหมนี่ไมดังเลยดังดังดังดังเลยดังม่ดังหรอ ที่ระเบิดที่ระเบิดได้ไม่ยอมได้ง่ายก็ต้องแสวงหาเองทางทางด้านฝ่ายกุศลก่อนค่ะคือหนึ่งบางคนเนี่ยจะต้องเนี่ยจะได้ของมากมายก็ตามแต่มาจากการที่ต้องต้องจะทําเองทั้งสิ้นนะคะแต่บางคนก็จะเป็นคนที่ไม่ต้องทําอะไรเลยเดี๋ยวก็มีผู้นั้นผู้นี้ให้ของอยู่เสมอเสมอได้ของดีๆนะคะอันนี้อันนี้เป็นเป็นประเภทของกุศล แต่ประเภทอกุศลเนี่ยไม่เชิงอกุศลเพราะว่าินการได้เหมือนกันแต่สมมุติเนี่ยอยู่ในกลุ่มเดียวกันเนี่ยก็จะเป็นคนมักได้ของที่ไม่ดีหรือไม่ก็โถลืมเือนไม่ได้ขอหนีค่ะเป็นผลจากการอะไรจ๊ะคะ ก็ทมาคาถามของโยมนะอันแรกที่ว่าได้ของคือไม่ต้องไปขวนขวายมากก็ได้แต่แต่อีกบางคนก็ต้องขยันทามาหากินกว่าจะได้ใช่ไหมโยมนะจริงๆเป็นผลของทานทั้งคู่นะผลของทานทั้งคู่นะแต่ตัวตัวแรกคือต้องไปขวนขวายหาจึงได้เนี่ยก็ธรรมชาติของทานกุศลโดยปกติปกติก็คือมีทานกุศลแล้วมันไม่เพียงพอนะไม่เพียงพอก็ต้อง ต้องมีอะไรต้องมีความพยายามนะมีความพยายามเพื่อสแสวงหาทรัพย์นะนะก็คือเปิดช่องให้กุศลมันให้ผลทานกุศลจึงให้ผลได้นะและการขวนขวายนั้นก็ต้องถูกทางด้วยหลักการ่ะนะก็ต้องถูกทางก็คือคืออย่างไรก็คือเช่นจะลงทุนทำธุรกิจก็ต้องถูกวิธีเขาใช่ถ้าทำธุรกิจได้ถูกวิธีคือมีความฉลาดเฉลียวมีปัญญาในการทาธุรกิจนะแล้วก็ การทำธุรกิจนั้นๆคือมีความเพียรทานกุศลเก่าๆที่เคยทําไว้ก็ดีในอดีตชาติหรือชาตินี้ก็ดีก็จะตามมาให้ผลได้อันนี้เป็นธรรมชาติของตัวทานกุศลก็เป็นอย่างนี้เองนะเป็นอย่างนี้เองส่วนคนที่คนที่บอกว่าไม่ต้องไม่ต้องขวนขวายหาทรัพย์นะก็มีทรัพย์นะอาจจะเกิดจากการที่ว่าคนๆ น, นั้นเขามีตัวการเปิดช่องการให้ทานไว้อยู่แล้วเปิดช่องของทานกุศลเช่น สมมติโยมสุวรรณละกันดีไหมยกเจ้าของบ้านอีกแล้วนะถ้าลูกชายหลานชายของโยมสุวรรณเกิดมาในตระกูลของโยมสุวรรณก็จะเป็นคนที่ทานกุศลเปิดช่องให้ผลแล้วเพราะว่ามีมีการขวนขวายทําให้ทานกุศลเกิดขึ้นให้มีการขนขวายทําให้ทานกุศลมีโอกาสให้ผลแล้วนั่นเองแต่สําหรับคนบางคนนะสําหรับคนบางคนที่ที่มีทานกุศลอยู่ก็จริงแต่ถ้าไม่มีช่องทางให้ทานกุศลให้ผลเลย ถ้าไม่ขวนขวายทานกุศลก็จะก็จ ะ, ก, จะก็จะให้ผลไม่ได้เหมือนกันนะอันนี้เป็นต้นอันนี้ก็เป็น1 1กรณีที่จะตอบตรงนี้และอีกส่วนหนึงก็จะเป็นอยู่ในสัพปริสถ า, านนะสูตรนั่นเองนะจะเป็นข้อที่1ข้อที่1เดี๋ยวลองทวนนิดนึ่งนะหนให้ด้วยศรัทธาใช่ไหมนะสให้ด้วยความเคารพ3ให้ถูกเวลา4ให้ด้วยขาดนะนะให้ด้วยขาดก็คือให้อนุเคราะห์นะอนุขิตทานนั่นเองนะอันที่ห้า ก็ให้ไม่กระทบตนกระทบผู้อื่นนะตรง น, นี้ก็จะเอาตอบข้อที่3ามก็คือให้ถูกการถูกเวลาคนบางคนเวลาให้ถูกการถูกเวลาแล้วนะทรัพย์ที่ควรจะได้ในเวลาใดการใดก็จะได้ในเวลานั้นการนั้นก็เหมือนกับที่ในที่เราจะํานวนให้ฟังง่ายก็คือปาถนาแล้วก็ต้องก็ได้ถ้าเราควรจะเนี่ยเวลานี้เราควรจะได้ได้ค่าปลาอาหารได้น้ําก็จะได้ค่าป่าอาหารแลนะน้ําตรงนี้ตรงนี้จะเห็นชัดว่า ถ้าใครที่ให้ทานด้วยถูกเวลามาโดยเสมอให้เวลาถูกการนะนะให้ทานถูกเวลาถูกการเหมาะสมตรงนี้หมายถึงปัญญานะให้เวลาให้ทานถูกเวลาถูกการเนี่ยเป็นเรื่องของปัญญานะเป็นเรื่องของปัญญาเมื่อให้อย่างนี้แล้วนะเวลาทานให้ผลจึงมาส่งผลถูกเวลถูกเวลาเวลาเหมือนกันเมื่อคนพวกนี้ให้ทานอย่างนี้ผลเป็นอย่างนี้การขวนขวาย เรียกว่าประโยคะภาษาธรรมะเรียกว่าประโยคะหรือว่าการพยายามเปิดช่องให้ผลให้ทานให้ผลจึงน้อยกว่าคนอื่นจึงไม่ต้องขวนขวายที่จะประโยคะให้ทานนั้นๆให้ผลมากเขาก็จะให้ผลแล้วเช่นก็อาจจะเกิดในตระกูลที่ญาติพี่น้องพ่อแม่มีประโยคะให้เสร็จสับแล้วขวนขวายให้เสร็จสับแล้วอย่างนี้เป็นต้นทานนั้นก็จะมาให้ผลซึ่งแต่ตรงนี้ที่บริบูรณ์ที่สุดจริงๆของให้ถูกเวลาเช่นอย่างคนรวย เขาจะมีบางทีเขายกวักพระมหากษัตริย์นะนะพระราชาในอดีตมีไมโ ย, ยมน่าจะรวยที่สุดแล้วเนาะถ้าพูดถึงกลุ่มคนรวยเนี่ยพระราชาต้องจะรวยที่สุดแต่บางทีหิวแล้วได้ได้ถูกเวลาไหมก็ต้องมีพัดพลากจากความหิวใช่ไหเอ่าก็คือหิวตอนเนี้ยแต่ไม่มีอะไรให้ฉันไม่มีอะไรให้ทานผิดก็คือเนี่ยฉันจะทานแล้วละ่ะแต่เขาบอกว่าคนครัวบอกว่าไม่พร้อมรออีกครึ่งชั่วโมงอันนี้ก็เป็นผลของการให้ทานผิดเวลา ผิดเวลาเวลาเหมือนกันนะเวลาผลจะให้แม้จะมีทรัพย์ก็ไม่สามารถส่งผลได้ตรงเวลาถูกเวลาถูกต้องอันนี้ก็เป็นขั้นแบบปนีดขึ้นมาอีกถ้าเราอยากถึงขั้นว่าถึงเวลาปุ๊บก็มาพร้อมถึงเวลาปุ๊บมาพร้อมไม่ต้องเอ่ยปากขอเลยเขาก็จะมาไม่รู้มันตอบเกินไปถึงข้อหลังหรือเปล่านายโยมนะก็อาจจะไปเกินเกินแถวสวรรค์ชั้นบนนั่นนะ อ๋อก็ถ้าแ ย, แยกเป็นสประเด็นแล้วกันนะโยมเพราะตอนแรกอาตมาได้ยินโยมพูดว่าได้ไดวัตถุทานด้วยแต่ได้ไม่ดีถ้าได้ได้เหมือนกันเช่นคนคนรวมๆกันนั่งอยู่นะสามสิบคนห้าสิบคนจริงๆวัตถุทานมีครบทุกคนแหละแต่เจ้าคนนี้ได้ของแย่ที่สุดเช่นอาหารก็ ก, ก็แตกหักๆไอชิ้นสวยๆเข้าไปหมดแล้ว ก็คือจริงๆก็มาจากร้านเดียวกันหมดอร่อยเท่ากันหมดแต่นี่ขี้เหลกว่าเพื่อนอย่างนี้เป็นต้นก็จะเกิดจากจากเวลาให้ทานนะ่ะนะเวลาให้ทานนะโยมนะก็จะแบ่งเป็นทานสามประเภทแล้วเรื่องคือว่าปิยทานให้ให้ของที่รักแล้วก็หรือว่าสามีทานนั่นเองนะอันเดียวกันหรือเป็นสหายทานกับเป็นท้าสถาน3ามอย่างนั้นนั่นเองคนที่เวลาให้ให้แต่ของเร็วๆเวลา กรรมนั้นให้ผลตัวเองก็จะได้ของแบบเร็วๆมาเหมือนกันคนที่ให้เสมอเวลาได้มาก็จะเสมอกข้ใจตัวเองแต่คนที่ให้ทีไรก็ให้แต่ของที่รักที่รักว่าได้มาของก็จะเป็นของที่ดีที่เหมาะสมที่น่าชื่นชอบเมื่อคนมารวมกันเยอะๆมันก็ต้องมาดูแล้วว่าใครคนไหนให้ให้ทานมาแบบไหนใช่ไหมในในสิ่งแวดล้อมนั้นวัตถุที่จะแจกมีมีเท่าเนี้ยคนที่ให้วัตถุทานปัน ปนีดก็คือให้ปิยะทานมาก็ต้องเอาของดีๆไปส่วนคนที่ให้เป็นสยะสหายยทานมาก็จะได้ของที่สมมุติว่าซื้อของมาร้านเดียวกันหมดเนาะสระเป๋าแลา้วกันทํามาเห็นช่วงเช้าหรือกลางวันไม่รู้สระเป๋า <c oughs> นะก็จะได้อะไรถ้าคนได้ได้ของที่อะไรที่ให้แต่ของที่รักหยิบมาปุ๊บเขาก็ส่งมาปุ๊บก็เป็นชิ้นที่ตัวเองต้องการเช่น <c oughs> ชอบกินไส้อะไรก็ได้ไส้นั้นส่วนคนที่เป็น สหายทานนะก็อาจจะได้ลองลงมาหรือคนที่ให้แบบของที่ไม่ชอบแลว้วก็ให้ Thompson: ก็อาจจะได้แบบของที่สาลาเปาลูกนั้นขี้เละขี้เลอะแล้วก็แกะนมบูรุไส่ก็ไม่ใช่ไส่ตัวเองจะกินเลยอย่างเงี้ยอย่างนี้เป็นต้นนะนะเหมือนกับว่าเหมือนกับตอนที่ตัวเองสร้างเหตุก็คือตัวเองให้ของที่ไม่เอาอ่ะตัวเองก็ได้ของที่ตัวเองไม่เอาเหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นนะ <Software> นะก็ยังได้นะในเรื่องคานยังได้อยู่แต่ถ้าไม่ถึงขั้นว่าไม่ได้เลยถ้าไม่ได้เลยนี่แปลว่า ไม่ใช่เรื่องทานกุศลแล้วเป็นเรื่องของความตนหนีแล้วเป็นเรื่องของการไม่ให้แล้วนะเพราะว่าธรรมชาติของเมื่อพูดถึงทานกุศลให้ผลเป็นทรัพย์แต่ความตนหนีจะให้ผลกลับตรงข้ามกันเลยคือไม่ได้เลยจะไม่ได้เลยเช่นเขาควรจะได้กันเจ้าคนนี้ตกไม่ได้ของที่เขาแจกกันเจ้าคนนี้ไม่ได้ซึ่งก็เป็นกลุ่มของตนหนีบางทีตนหนีแล้วก็เรื่องเดียวกันนะก็ตนหนีก็คือตนหีเลยเถิดไปถึงว่าเห็นเห็นนายกอ จะให้ทานกับในขอเราก็ไปตนีของที่ไม่ใช่ของเราก็เลยไปห้ามเขาเฮ้ยอย่าไปให้เลยเจ้าคนเนี้เขาก็มีมือมีเท้านะเขาท่านจะหากินเองได้เราจะไปให้ทําไมอย่างนี้เป็นต้นก็อไอตรงนี้ก็ตัวความตาหนีเหมือนกันนะเวลาเราควรจะได้เราได้ไหมก็ไม่ได้เหมือนกันเนาะแล้วก็เป็นอกุศลด้วยนะเพราะความตนีเป็นอนกุศล น, นั่นเองนะนั่นในหลักการเขาจะบอกว่าห้ามห้ามบุญของผู้ให้ห้ามวิบาสของผู้รับ นั่นเองนะแล้วก็ทำให้ตัวเหงได้บาปไปด้วยนั่นเอง3อย่างก็น่าจะตอบคุมคุมกันไปนอะเนาะอาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมครับ ตรงนี้ก็ทำให้มองเห็นมุมมุมมุมในชั้นของการของคำสอนว่าเนี่ยตรงเนี้ยกรณีแห่งด้านของสัพริสธานเนี่ยก็ให้เราไปไปใข้ควรกันให้ดีสัุริสธานนั้นมีทั้งหมวดห้าแล้วก็หมวดแปในหมวดห้าที่เมื่อสักครู่ที่พระท่านพูดไปเนี่ยในรายละเอียดมันเยอะนี่นะไม่ว่าจะเป็นศรัทธาให้ด้วยศรัทธาเชื่อมั่น ให้ด้วยความนอบน้อมเป็นให้โดยการลทานการลทานก็ยังต้องไปแยกออกมาการท า, านเน่แล้วก็ให้แบบอนุเคราะห์ือสละขาดให้โดยการไม่กระทบตนและบุคคลอื่นแล้วก็ให้เนืองนิดนี่ให้เนืองนิดให้ประจานั่นเองแล้วขณะให้ก็เลื่อมใสให้แล้วก็ปลื้มใจที่แปประการเนี่ยนยตรงนี้ถ้าต้องการจะเก็บมุมรายละเอียดถึงการที่จะเดินทานกุศลศีลกุศล แม้ภาวนากุศลเป็นต้นเหล่านี้ก็ต้องเดินให้ละเอียดให้ทีทวนจริงๆพอพูดถตร ง, งนี้แล้วเนี่ยทำให้มองถึงคำสอนอีกมุมหนึ่งมองถึงคำสอนเกี่ยวในเรื่องของการให้เนี่ยนะอย่างยกตัวอย่างเช่นว่าของที่ควรบริโภคดูตัวอย่างอย่างทานของพระโพธิสัตว์พระองค์เป็นผู้ให้ของที่ควรบริโภคของที่ควรเคี้ยวควรลิ้ม ควรเลียควรดื่มที่ปลาเนียมีรสอร่อยอย่างเงี้ยนะของที่คนบริโภคก็ได้แก่โภชนะห้าอย่างข้าวสุก ข, ขนมสดแป้งปลาเนื้อเป็นต้นของที่คนเคี้ยวก็ได้แก่แป้งของที่ควรลิ้มเนยใสยเนยข้นน้ำผึ้งของที่ควรเลียก็ได้แก่กรุงไอซ์รีมหลากหลายกันนะหรือว่าของที่ควรดื่มข้าวปลาหญ้าหรือว่าน้ำปาหนะกับน้ำมะม่วง น้ำลูกว่าน้ำกล้วยมีเมล็ดไม่มีเมล็ดน้ำมาสางน้ำอะงุลน้ำผลจัน์น้ำเงาบัวน้ำมะปรางหรือลิ้นจี่เนี่ยนะลักษณะการให้เนี่ยถ้าพระโพธิสัตว์ท่านจะเดินกุศลไม่ว่าจะทานกุศลศีลกุศลน่ก็คือว่าบำเพ็ญมาอย่างยาวไกลถ้านับตั้งแต่เสียสงไขมาเป็นต้นน่ยนะยิ่งด้วยแสนมหากรท่านเป็นทานน้บดีท่านเป็นสามีทาน แต่ชนเราอื่นเนี่ยชนเราอื่นคือกลุ่มเราท่านทั้งหลายเนี่ยให้โภชนาที่เศร้าหมองโดยส่วนใหญ่นะอาหารเนี่ยตกถึงท้องเนี่ยจากของที่เศร้าหมองเราให้ของที่เศร้าหมองเราไม่เลือกพระไม่เลือกโภชนาที่ปราณีตของที่ดีทั้งหลายเหล่านี้ในการแจกในการให้เนี่ยนะของเหล่านั้นตกถึงท้องเนี่ยวิตามินทั้งหลายเหล่านี้ก็มีน้อย โลหิตก็จะซูบซีดเนื้อก็จะเหี่ยวแห้งจึงมีเนื้อน้อยเลือดน้อยมนุษย์บางคนเกิดมาก็คล้ายๆอย่างมนุษย์เปรตใช่ไหมเกิดมาต้องมาซูบมาซีดมาผิวพันธุ์ที่สามทั้งหลายเหล่านี้แต่ไม่ใช่คนอยากผอมทำหุ่นผอมๆนีนี่ก็ยุคนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะเนี่ยอธิสงในกรณีาการให้ทั้งๆ ท, ง ท, งที่ให้เหมือนการแตกตัเองก็ได้สิ่งที่ไม่พึงปรารถนาแล้ว เหตุเพราะว่าอะไรถ้าหากดูอย่างทานของพรโพธิษัทอ์อนิสงส์ได้รับของเคี้ยวของบริโภคหรือน้ําดื่มอย่างประณีตแล้วก็มีรถเลิศแล้วถูกการถูกเวลาอย่างเมื่อสักครู่ที่พระที่ท่านอาจารย์ท่านยกตัวอย่างมาการให้ที่เป็นการลทานเนี่ยที่เหมาะสมแก่การแก่เวลาเนี่ยแล้วก็เป็นบุคคลที่ดําริหรือคิดแล้วก็ได้ถ้าอย่างอย่างที่กล่าวว่าถ้าเป็นกลุ่มเทพเทวดาทั้งหลายเนี่ยก็ไม่ต้องรอเวลาเลยเพียงดําริก็ได้แล้วดําริก็ได้แล้วเนี่ยนะ หรือถ้าดูอย่างนี้ว่าพระโพธิสัตว์เหตุผลท่านได้ฝ่าพระหัตถ์แล้วก็ฝ่าพระบาทอ่อนนุ่มมีฝ่าพระบาทแล้วฝ่าพระหัตถ์ทั้งหลายแล้วนี้มีลายดูกตาข่ายอันนี้เป็นอา น, นิสงส์ของการให้ของที่ดีของของที่ปราณีตเหตุที่ได้เพราะเป็นผู้สรงเคาะหมู่ชนด้วยสังหารวัตถุสก็คือให้ทานก็ได้ฉลาดในการให้ให้เครื่อง บริขารแก่นักบวชให้เครื่องใช้แก่เครื่องหัดก็ตรวจสอบว่าของนี้สมควรแก่นักบวชของนี้สมควรแก่เครื่องหัดก็ให้และการให้ก็ไม่ใช่ให้เฉพาะแต่ลักษณะว่าคิดหรือมีปัญญาในการจัดสรรและเลือกสรรในการให้เท่านั้นและยังมีการให้คำพูดที่น่ารักด้วยที่เขาเรียกปี่ยาวาจาใช่ไหมก็เวลาให้ทานก็ให้คาพูดที่น่ารักทาให้ผู้รับมันชื่นใจไม่เคยพูดให้เสียหายเนี่ยนะ ในระหว่างที่การให้และหลังจากให้มาแล้วเป็นต้นแล้วด้วยการประพฤติประโยชน์บางคนไม่หวังผลทานไม่ต้องการคำพูดน่ารักแต่ต้องการคาแนะนำประโยชน์ให้เกิดความเจริญเกิดตนอย่างเดียวก็รู้จักที่จะแนะนำประโยชน์เขาด้วยไม่ใช่ว่าออการให้ทานแต่ละครั้งก็ฉลาดในการให้เช่นเขาต้องการคำพูดก็ให้คาพูดที่น่ารักแต่บางคนต้องการให้แนะนาประโยชน์กับเขา ให้ทานด้วยกับแนะนําประโยชน์ไปด้วยเป็นต้นและอย่างหนึ่งก็คือว่าเป็นผู้วางตนที่เสมอคนบางคนเนี่ยไม่มีความต้องการอย่างเดียวในการให้ทานในข้อหนึ่งก็ไม่ต้องการคือไม่ต้องการทานบางคนก็ไม่ต้องการคําพูดที่น่ารักแต่บางคนก็ไม่ต้องการหวังหวังให้คนแนะนําประโยชน์แต่อยากได้ความเป็นผู้มีสุขและทุกข์เสมอกันใช่ไหมเช่น กรณีแห่งการที่บอกว่านั่งร่วมกันบริโภคร่วมกันอะไรต่างๆเราเนี้ยนะแล้วมีคนมีการวางตนที่เหมาะสมลักษณะพระโพธิสัตว์เวลาท่านให้นะ่ะท่านก็จะสงเคาะ์ด้วยสังขาวัตถุสีชัดทานให้ปิยาวาจาประพฤติประโยชน์ยังไงแล้วก็วางตนให้เหมาะสมอย่างไรแต่ถ้าท่านเป็นนักบวชท่านก็วางตนให้เหมาะสมนะ ไม่ใช่ว่าเป็นนักบวชทําสมาธิตาตาไป น, นั่งคู่คารวะอันนี้มันก็เป็นคนละเรื่องเอย่างนี้ก็คือท่านก็วางตนที่เหมาะสมอย่างไรอันนี้ก็พูดถึงในเรื่องฐานก็เลยเลยขยายมุมตรงนี้นะให้ให้เกิดความเข้าใจอันนี้ในข้อที่นาทานใช่ไหอ้าวต่อไปก็ท่านอาจารย์ก็ขยายการเมสุวิชาจานเมยุมิชชาขึ้น น, นะฮะนี่เวลาเท่าไหร่ แต่กลัวจะสาสบ่นั่นคือาก็